จะมาเป็นต้นเสียงให้แล้วยองก็ค่อยๆตามไปนะเออจะได้ฝึกกลับไปที่บ้านจะได้สวดมนต์กันเป็นได้หลายอย่างเลยเนอะได้สวดมนต์เป็นด้วยแล้วก็ได้ทำนองด้วยเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควา สาวาติยังวิหระติเทตวันิอนาทพินทิกัสอาราเมอทโคัญญาตารเทวตาอภิกันตายรัติยาอภิกันตวันณาเกวรากัป ปังเชตวะนังโอภาเซตตวะเยนาภควะเตนุปัสังกมิอุปสังกมิตตวะภควันตังอภิวาเทตตวะเอกมันตังอัตถาสี เทกมันตังทิตาโคสาเดวตาภคะวันตังคาทายาชภาสีพอาได้ไหมที่ตอนนี้จะเป็นทานองส่วนง่ายจากต่อจากนี้ไปนี่นอาบะหูเดวามนุสจา มังคลานิอาจินตยุงเอามาให้ดิบาหูเดวามนุสาชาจามังคลานิอาจินตยุงหากังคมานาสททานังบรูหิมังคลามุนตะมัง อาเซวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุนตัมังปติลูปะเทสวะโสจาปุเพจกตะปุญญตา อาตสามาปนิจจาเอตํมมังคลมุนตมมังบาหุสัจจันจะสีปัญจาวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตํมมังคารมุนตัมมัง มาตาปิโตปานางปุตธาราจะสังเกหออนากราจกรรมันตาเอตัมมังครมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจาญาตกานันจะสังเก อนวาชานิกรรมานิเอตัมมังครมุตตมังหารติเวรติปาปามาชปาณาจะสัญญโมอปปมาโดจะทำเมสุเอตัมมังครมุตตะมัง คารวะจนิวาโตจาสันตุทีจักตันยุตากาเลนธรรมะสวนังเอตัมมังครมุตตัมังขันตีจโสวจัสตาสมนานาณจัดสนังกาเลนธรรมสากัญชา เอตัมมังครมุตตมังตะโปจะพรมจริยัญจาอริยสัจจานัสนังนิพ h a n a sa c ิ e ิ i r i า a c เอตัมมังครมุตตมังพุทธาสโลกธรรมเมหิจิตตัญญาสนกรมปติ อโสกังวิราชังเคมังเอตัมมังครมุตตมังเอตาธิสานิกัตวานาสัพพัทมะราชิตาสัพพธทโสทิงคาชันตีตันเตสังมังครมุตตะมันตี มังค rasutang niti t a นีน่จบมงคนละสูตรแล้วพอสวดได้ไหมแบบเนี้ยกลับไปก็ไปฝึกสวดแบบนี้นะยอมนะมันเป็นทํานองใช่ไหมถ้าเป็นทํานองอย่างนี้จะทําให้การสวดเนี่ยจะได้ศรัทธานะหนึ่งรู้ความหมายด้ว ย, น ย, ยเนี่ยค่อยๆสวดไปนี่จะรู้ความหมายจะเข้าใจ การสวดมนต์ที่แท้จริงจิตก็เกิดความเลื่อมใสก็เชื่อมัน่นใช่ไหมไม่ไม่เหมือนที่เราสวดทั่ ว, วไปใช่ไหมถ้าเราสวดเร็วๆนี่จะจ ะ, จะทันไ้ยจะทันรู้ความหมายไหมจะไม่ทันนะพออย่างอยากสวดบนไหนอีก <c oughs> คือคือจริงๆทานองการสวดมีเยอะ มีเยอะเนี่ยเดี๋ยวบทอื่นจะยาวไปเดี๋ยวดูใครอยู่ที่บ้านปกติชอบสวดมนต์บ้างต้ยงยกมือเลยโอ้มีเยอะเลยนาะจิงจริงการสวดมนต์บางบางบทเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเออย่างอ า, อาตานาติยะปริศเนี่ยหน้า94 อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นบทนอบน้อมพระพุทธเจ้านะนอบน้อมพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์ด้วยนะ้าเป็นการป้องกันภัยจากอามนุษย์ด้วยเนี่ยเ่ังนี้ยให้ท่ารแล้ว ด, ดูความหมายนี่ก็ไม่แปลกเวลากุศลจิตเกิดขึ้นเจตดจำนงเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ระลึกนอบน้อมพระพุทธเจ้าด้วย ขอความคุ้มครองป้องกันจากพรัตนาไตรด้วยนี่อานิสงส์ตรงไหนตรงกุศลกรรมที่ทำลงไปเจตจำนงที่ตั้งใจไว้ดีที่เป็นไปกับความเชื่อมั่นที่เป็นไปกับเจตจำนงที่เป็นไปกับศรัทธาที่เป็นไปกับปัญญาความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและไปกระทบคุณของพรัตนาไตรนี่ถงมีพรราอานิสงส์มากก็ใจะใยัการสวดมนต์เนี่ยจะ ต, ต้องรู้ความหมายต้องสวดให้ถูกอักขละ ต้องไม่ทำพยัญชนะนั้นให้บิดเพีย้ยบบิดเพีย้ยนแล้วก็ต้องรู้ความหมายการสวดและจิตของผู้สวดนั้นต้องเป็นจิตที่เป็นไปกับกุศลเป็นไป ก, กับกำลังของสมาธิเป็นต้นด้วยใช่ไหมการสวดมนต์ไม่ใช่สวดแบบไม่รู้แล้วมันจะได้ได้ได้อันนี้สงเยอะนะต้องรู้ความหมายต้องสวดถูกต้องจะลองบทนี้สั้นๆดูเนะลองดูสักหน่อยนะ <c oughs> วิปัสสนามาณทูจักขุมันตัสสาสิริมโตสิกิสปีนมาณทูสัพพูตานุกัมปิโนเวสโบสนมาณทูนหาตกาสตาปันสีโนนมาทูกัุสันดสา มาราเซนปามัดดิโนโคนาคมานาสนามันทุบรามนาสาวุสิมาโตกาสปาสนามันทุวิปโมตตาสสามปทีอังคีราสนามัตทุสกยาปุตตาสิริมาโต โยยมังธรรมมาเทเสสีสบดุกคาปนุดนังเยจาปิณิผูตาโลเกยถาผูตังวิปสิสุงเตชะนาอภิสุนามหันตาวิตาสารธาหิตังเทวมโนสาง ยังนามาสันติโคตมังเวชาจารณสัมพันนังมหันตังวิตาสาระทางเวชาจารณสัมพันนังพุทธังวันธามมโคตมันตีนี่นี่คือนอบน้อม ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสิพทเจ้าผู้มีพระจักษุผู้มีสิริเป็นต้นคืออันนี้เป็นคาถานอบน้อมน้มัตถุเนี่ยคือการนอบน้อมนอบน้อมด้วยใจแล้วก็พฤติกรรมทางกายและวาจา ก, ก็นอบน้อมไปด้วยไอ้กิริยาที่นอบน้อมออกมาเนี่ยเป็นกิริยาทางกายนะโยมนยกิริยาทางกายที่อบน้อมอันนี้เป็นผลเหตุของการอบน้อมจริงๆคือ เจตนาที่คิดจากนอบน้อมศรัทธาที่นอบน้อมที่เป็นไปกับความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะในการที่สาธยายสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เราต้องมีจิตเจตจำนงความจงใจตั้งใจในการที่จะนอบน้อมพระพุทธเจ้าจริงๆนะฉนั้นการนอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกุศลที่เกิดขึ้น พลังใจหรือจิตใจที่ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ระลึกแบบเลื่อนลอยเลอะเลือนหรือเลือนหลงแต่เป็นการระลึกที่มีเจตจํานงมีความจงใจค่อนข้างมุ่งมั่นมากแล้วก็มีพลังของศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วมีความพองใสคนที่มีกําลังศรัทธาและไปยึดโยงกับพระรั a น a ไตรเนี่ยเขาเรียกเป็นคนที่มีเพื่อน เป็นคนไม่ว้าเวคุณภาพจิตใจจะดีมากคนที่มีศรัทธาในประดุจดังเป็นคนที่มีมือมือไม่ขาดเนาะเป็นคนที่มือไม่ขาดสามารถจะเก็บรัตนาที่ตกเรียรายตามแผ่นดินได้แม้ชั้นใดคนที่มีศรัทธาในพระรัตนะไตรก็จะสามารถเก็บเอาอคําสอนของพทธเจ้านัน้นมาไว้ในตนทําตนเองนั้นให้ประพฤติปฏิบัติขัดเราได้อย่างแท้จริงและนาไปสู่ความ ได้รับความสุขตามเหตุสมควรแก่การประพฤติปฏิบัตินั้นได้เออการระลึกถึงคุณของพระเจ้าซึ่งเป็นยอดกัลยาณมิตรของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องนอบนอบ้อมสังเกตดูไ้มที่ท่านกล่าวบอกว่าพระมหาวีระเจ้าทรงสแสดงพระปริตใดเพื่อความความคุ้มครองพุทธบริษัทสี่ไม่ให้ถูกเบียดเบียนจากเราอมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือว่า ให้สังเกตตัวการที่เข้ากับท่านประธานนาการนอบน้อมในบทที่เราสาธยายกันสักครู่เนี่ยที่บอกขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักรสูมีพระเสลีขอนอบน้อมแด่พระสิกขีพระพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าขอนอบน้อมพระเวสสภูพระพุทธเจ้าผู้ชําระกิเลสคือราคาโทสะเป็นต้นเหล่านั้นผู้มีความเพียรที่ยิ่งใหญ่ ขอนอบน้อมแด่พระ ก, กักสุสันทภาพุธเจ้าผู้ทรงย่ำยีมารและเสนามารมารในที่นั้นก็คือกลุ่มกิเลสมารเป็นต้นนะราคาโทสะโมหนเรนมานนะเป็นมารความกำหนัดความยินดีความเพิดเพลินความโกรธความเครียดความแข็งความกระด้างทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ตลอดตลอดถึงความมืดบอดความมัวเมาลุ่มหลงอันนี้เป็นกิเลสมาน เจานากรรมของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นมาร น, นะก็เรียกอภีสังขารมารสาัตว์ทั้งหลายเมื่อทํากรรมดีก็นําไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็ติดอยู่ในวัตถภพสัตว์ทั้งหลายที่ทํากรรมชั่วก็ลงอบายทุกติวินิบาตนารกสัตว์ทั้งหลายที่ทําทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทั้งหลายก็นําพากระแสชีวิตของตนเองนั้นลงอบายบ้างไปสุคติเป็นต้นบ้างเห็นไหมมันจะหมุนเวียนมันอยู่อย่างนี้แหละส่วนสัตว์ทั้งหลายที่ เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมดีก็เจริญกุศลกรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่เป็นที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่คือกลุ่มนี้ต้องการจะดําเนินกระแสะชีวิตของตนเองในตามแนวทางเพื่อความพ้นทุกที่เขาเรียกว่าสัมมาปฏิบัตินี่แหละก็คือหลักการในการที่จะดําเนินกระแสะชีวิตของตนเองนะั้เข้าถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงคือความหลุดพ้นให้รอดปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏ ยอมว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ดีไหมดีไม่ดีอาการเกิดเป็นมนุษย์นี่ดีไหมดีนะแต่ที่จริงถามว่าดียังไงเนี่ยเกิดมาแล้วต้องมาแก่กันไหมเนี่ยต้องแก่หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาเจ็บกันนะนะหลายหลายคนแก่แล้วเนี่ยนี่นั่งๆแก่ๆ ก, กันหมดแล้วแล้วก็เจ็บ แล้วก็ไปหาอะไรเนี่ยไอ้แก่กระเจ็บเนี่ยบีบเราไปหาอะไรบีบไปหาความตายดีไหมถ้ายังไม่ทันตายก็โศกไหมเนี่ยจะโศกนั่งโศกนั่งซึมยอมสังเกตตูไหมแล้วความโศกเนี่ยมันจะเข้ามาสู่กระแสชีวิตเป็นระยะเป็นระยะแล้วตลอดมันจะมีความโศกลึกๆยอมลองมองดูลึกๆในสายตาในแววตาของสัตว์แต่ละจะบบุคคลดิมันจะมีความโศมมมโก มันจะมีความโศกตลอดนี่แหละคอยมาแทรกซ้อนแทรกซ้อนตลอดเวลาเลยนะืความโศกเออเนี่ยตรงนี้นี่แหละหลายหลายท่านถึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีความโศกคอยเขาพ้นจากโศกนะสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์คอยเขาพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีเวรภยัยคอยพ้นจากภัยเป็นต้นเนีเป็นต้นอันนั้นคือการตั้งอัตยาใสัยในการที่ปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีความสุข พ้นจากโศกคิดจริงนะถามคนที่จะพ้นจากความโศกได้จริงๆคือคนที่บรรลุธรรมแล้วก็ดับขันทัปนิพพานแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่พ้นจริงๆเลยนะสาธิตจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ําไรลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจคือสาธิพ้นทุกแล้วก็คือสาธิตสามารถทําตนเองให้รอดปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏ แล้วไม่ต้องกลับมาเวียนไหวใยเกิดแล้วนั่นแหละสัตว์เหล่านั้นแหละเป็นผู้ที่พ้นจากการเวียนไหวใจเกิดจริงแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดายอมเข้าใจคําว่าธรรมดาไหมธรรมดาเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เพราะคุณไปสร้างเหตุปัจจัยที่จะได้ความเกิดเขาเรียกธรรมดาและเราจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราจะต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาและมีความตายเป็น ธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดาไหมธรรมดาหรือไม่ธรรมดาธรรมดาศัพท์นั้นแปลว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเพราะคุณเกิดไงและมีสังกิเลตก็คือกลุ่มกิเลสทั้งหลายมาทำมาไหลเวียนอยู่ในกระแสชีวิตเนี่ยแล้วก็มีความเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายมีความเศร้าหมองเพราะราคะความกําหนัดโทสะความโกรธโดดมหะความมืดบอดไอ้ตรงเนี้ยทาให้สัตว์เศร้าหมองพวกเราทั้งหลายแทนที่จะไม่เศร้าหมองนะ ถ้าขาจัดกิเลสในในกระแสชีวิตได้แต่ไม่ขจัดไม่ได้เพราะขาจัดไม่ได้ก็มีความเศร้าหมองเออตอนนี้แหละที่เรามาฝึกขัดขัดกล่าวกันตอนนี้ว่าพัฒนาฝึกฝนเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยขจัดความเศร้าหมองออกจากกระแสชีวิตเราต้องการขาจัดความเศร้าหมองออกจากกระแสชีวิตเบื้องต้นเราจึงต้องแสวงหากัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าพอเรารู้จัก พ, พุทธเจ้าแล้วตอนนี้เราก็ระลึกนอบน้อมอย่างที่กล่าวพัฒนาเนี่ย ขอนอบน้อมแด่พระกกุศลท้พะพุทธเจ้าผู้ย่ำยีมารและเสนามานขอนอบน้อมแก่แด่พระโกนาคมณะพระพุทธเจ้าผู้มีบาปอันลอยแล้วอยู่จบพรหมจรรย์เรื่อพรหมจรรย์เนี่การคลองชีวิตอันประเสรศิฐสูงสุดจริงๆเรียกมรรคพระรหมจรรย์อย่างเราเข้ามาในภาษาศาสนาเบื้องต้นก็เรียกาศาสนาพรหมจรรย์ ก็คือมาครองไตรสิกขาเหมือนพระที่เข้ามาบวชเนี่ยนี่เขาเรียกว่ากําลังดําเนินกระแสะชีวิตของตนเองเข้าตามหลักของาศาสนาพรหมจารย์คือตามหลักของศีลใช้ศีลมาฝึกชีวิตของตนเองทีง่ที่ไม่ประเสริญนั่นแหละทําพฤติกรรมเอาศีลมาอบรมพฤติกรรมตนเองมาพัฒนาพฤติกรรมตนเองให้ประเสริฐให้เลิศ ใ, ให้ดีให้งามเพื่อจะให้พฤติกรรมที่ออกมาทางกายกรรมวาจีกรรมลนะประเสริฐและเลิศนี่เขาเรียกผู้ครองศิกขาคือศีล ทางด้านจิตใจที่เศร้าหมองไม่สะอาดไม่เอี่ยมอ่องไม่ผ่องแผ้วทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็ใช้กําลังของอธิกิตติสขาหรือสมาธิสิกขาเนี่ยมาฝึกทําจิตนตนเองให้แข็งแรงให้เข้มแข็งให้อาถานให้มั่นคงไม่ไม่ไม่หลงไหลฟั้นเฟือนไม่เลือนเลือ้อไม่เลือเล้อไม่เลือนหลงเนี่ยนะจนทางด้านทัศนคติค่านิยมความเห็นที่ยังไม่ตรง ก็ใช้ปัญญาความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ปัญญาชั้นของเหตุและผลชั้นกรรมและผลของกรรมจนถึงปัญญาในแบบตามแนวสุโล ก, กุตะระที่ไปแทงตลอดความจริงของโลกและชีวิตตามที่มันเป็นเนี่ยนะอันนี้ก็คือด้านปัญญาสิกขาฉะนั้นเบื้องต้นจริงๆพวกเรามามานี่เรามาเดินตามศีลมาเดินตามสมาธิและปัญญาใช่นี่ก็เรียกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์ แปลว่ามาครองชีวิตมาประพฤติชีวิตที่งดงามชีวิตที่ประเสริฐถามว่าการประพฤติพรหมจรรย์นี่งดงามไหมตอนนี้พวกเราถือพรหมจรรย์กันหมดไหมเราสมาทานว่าอะพรหมจริยาใช่ไหมแล้ว่าไงนะเราสมาทานเมื่อวานนี่ว่าไงนึกไม่ออกแล้วศีลข้อที่สามว่าไง อ่พรมจริยาแปลว่าอะไรแล้วท่องให้จบทีอ่พรมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีแปลว่าอะไรเอออะพรมจริยาคือการไม่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์การครองชีวิตที่ไม่ประเสริฐเนี่ยเราจะไม่ทำเช่นอาการของคนมีคู่เนี่ย เป็นชีวิตที่ยังไม่ประเสริฐการคลองเรือเ น, นี่ไม่ประเสริฐการเกี่ยวข้องกับบุตรการเกี่ยวข้องกับภรรยาเกี่ยวข้องกับสามีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิ verses, นเงินทองทั้งหลายเกี่ยวข้องกับโรคโลกทั้งหลายอันนี้ชีวิต ท, ที่ไม่ประเสริฐเอาแล้ววันนี้วันนี้เราจะมาถือพรหมจรรย์คือการคลองชีวิตอันประเสริฐเอาเบื้บบบองต้นก็คือเอาแล้วเรามาสมาทานถือพรหมจรรย์คลองชีวิตอันประเสริฐแล้วก็มาพรหมจรรย์จะให้ประเสริฐได้จริงๆก็ต้องมา ตั้งมั่นอยู่ในสิกขาข้อแรกคือศีลสิกขาข้อต่อไปคือสมาธิสิกขาท่อต่อไปก็คือปัญญายังเข้าใจคำว่าสิกขาไหมสิกขาก็แปลว่าอะไรคำแปลว่าข้อฝึกบทฝึกนะีบทที่จะมาฝึกข้อที่จะมาฝึกฝึกหรือมาพัฒนากายให้งดงามประเสริฐวาจาัยงดงามมันประเสริฐใช้อะไรมาฝึก ใช้อะไรเป็นข้อฝึกกายวาจาถึงอย่างงดงามถึงจะประเสริฐพฤติกรรมทั้งจะงดงามที่จะประเสริฐใช้อะไรฝึกใช้ศีเอาศีมาตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ที่ใจให้จัดแจงกายกรรมให้ประเสริฐวาจีกรรมให้ประเสริฐพฤติกรรมบุคลิกภาพที่แสดงออกจะได้ประเสริฐงดงามเอียบอ่องผ่องแผ้วไร้บนทิน้นไม่มีด้วงแมงเลยงดงามมากเลยกายกรรมที่ออกไปก็งดงามนะีไม่ฆ่าไม่รัก ไม่ประพฤติผิดในการมนะแต่วาจาก็พูดคําสัตย์คาจริงพูดคาที่เป็นประโยชน์พูดเหมาะแก่การและพูดเด้วยเมตต่า ง, งามไหยพฤติกรรมจะงดงามไหมเนี่ยก็เรียกกลุ่มที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแล้วใครจะเอาเงินทองมาวางเขาไว้เป็นล้านๆสองล้า น, านก็ไม่หยิบไม่เฉวยเพราะไม่ใช่ของเราใช่ไหมจริงไม่จริงจริงไม่จริงเนี่ทนยที่นั่งอยู่เนี่ย อา้าวมีคนมาหยิบเงินไว้ห้าล้านเอาเงินมาทิ้งกันไว้เนี่ยห้าล้านเราจะมีความอยากได้ไหมอยากเหมือนกันนะแต่มันทําไม่ได้เหมุไงว่าเราคลองชีวิตอตันประเสริฐแล้วเราจะไม่หยิบฉวยของไทยแล้วลักษณะอย่างเนี้ยกักชีวิตทังคนที่ครองพรหมประพฤติพรหมจันทร์อา้าวคนจะ ทีนี้ทางด้านกายพฤติกรรมทางกายก ว, วาจานี่แปลว่าดูแลดีแล้วพฤติกรรมทนี้ทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจก็มีกำลังของกรรมฐานคือกำลังของสมาธิเป็นต้นคุ้มครองก็ไว้อะไรคือกลุ่มสมาธิความเพียรก็เรียกเป็นกลุ่มของสมาธิสติคือการระลึกได้อย่างมั่นคงไม่ฟันเฟือนไม่เลือนหลงก็เป็นกลุ่มของสมาธินะแล้วก็สมาธิ คือความตั้งมั่นแห่งจิตกลุ่มเมตตากลุ่มกรุณามุทิตาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นกลุ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธินะ่กลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มของสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมัน่นอ่อนแอหรือตั้งมัน่นวันไหวหรือตั้งมัน่นตั้งมัน่นฟุ้งซ่านไหมไม่ฟนะุ้งเนือเพาตั้งมัน่น เป็นจิตที่ไม่หงอยเหงาไม่เศร้าโศกไม่ซบเซาหน้าตาของคนมีสมาธิจะบูดบึ้งหรือจะผ่องใสซึมซึมหรือว่าดูล่าเริงคนที่จิตกำลังจิตเป็นสมาธิจะดูล่าเริงไหมจะดูล่าเริงจะดูเด่นไม่ใช่เป็นนั่ง ้อยยางอีนี่แปลว่าจิตมีสมาธิไหมไม่มีแล้วงั้นคนมีกำลังสมาธิดีเนี่ยจะดูล่าเรืงมากดูพ่องตลอดเวลาเลยนะก็จิตมันโปร่งโล่ ง, ลงสะอาดเอี่ยมอ่องพ่องแผ้วยังไยเราจิตมันใสอะ่ะถ้าจิตใสหน้าใสาด้วยไหมหน้าก็ใสถ้าจิตขุนมัว พฤติกรรมก็ขุนมัวสิฉะนั้นกำลังของสมาธิมันจะทำให้จิตใสจิตสะอาดกำลังของสมาธิมันจะคมทำคุณภาพจิตที่ดี เ, ออเวลานั่งกรรมฐานก็นั่งตัวตรงไม่ได้ไม่ได้แก้งเสียแซงแก้งตรงด้วยนะมันรู้สึกว่าโหดูดีมากที่บุคลิกภาพดีอย่างท่านวนันนี้เอาเวลานออในหลวงไปนั่งดูดีไหม แล้ท่านออกนั่งทรงงานนั่งอะไรดู ง, งามไหมสมาธิท่านดีนะเนะี่ยถ้าไปนั่งงี ง, ง, งีงอ็ ง, ง, งอจะหน้าเขาลบไหม <c oughs> ไม่ลบเออเนี่ยฉะนั้นพวกเราก็ลองดูที่ว่าเราครองชีวิตอันประเสริฐก็คือทางด้านพฤติกรรมทางกายกรรมวจีกรรมเนี่ยประเสริฐไหมประเสริฐหรือไม่ประเสริฐมันดูตัวกุศลศีลมาเป็นตัวกํากับมาฝึกฝน ถ้าทางด้านกําลังของสมาธิสมาธิสิกขาก็ต้องดูว่าใจเป็นยังไงเอาตั้งแต่เช้ามาเนี่ยจิตใจเป็นไงปลอดโปร่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยไหมหรือมันรู้สึกหงอยหงอยเงาเหงาเศร้าเศ้าซึมซึมโศกโศกเศร้าซ้อยหรือมันบางทีก็ติดนูน้นติดนี้ยึดนั้นยึดนี้อันนี้ไม่ใช่นะนี่จิตมีปัญหานเนี่ยเนี่ยเครียดกลุ่ม วิตกกังวลซึมเคยซึมเคยเป็นซึ ม, ม, นซมซึ ม, มั้ยง่วงหดหูสอดแสไปทั่ววกแวกฟุ้งซ่าน้ารักษณะนี้ก็เรียกจิตไม่ได้ประพฤติมอามจารย์ทางด้านจิตแต่พฤติปราพฤติพรมจารย์ทางด้านกายอย่างเดียว ทังด้านจิตใจไม่ได้ถือศาสนาพรหมจรรย์ที่เป็นอธิสิกจิตสิกขาเขาใอย่างคําว่าพระพุทิพรหมจรรย์การคล้องชีวิตอันประเสริฐส่วนทั้งด้านทัศนคติมุมมองความเห็นทั้งหลายเหล่านี้ก็คือต้องใช้ปัญญานี่แหละความรู้ความเข้าใจมาปรับพอเข้าใจได้อ ย, อยังแต่เนี้ยเขาเรียกพวกเราเป็นกลุ่มอะไรถือพรหมจรรย์ พรหมจันท์เป็นชื่อของชื่อของอะไรศีลเป็นชื่อของสมาธิเป็นชื่อของปัญญาแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่มาประชุมในกระแส ช, ชีวิตใส่แต่ชุดขาวอย่างเดียวเรียกว่ามาประพฤติพรหมจันทร์หรือไม่เรียกเรียกหรือไม่เรียก <c oughs> เรียก <c oughs> เรียกไหมล่ะอา้าตอนนี้ศีลก็ไม่เกิด สมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเลยนะไม่ได้ฝึกเลยไม่เข้าใจในการที่จะทำให้เกิดด้วยจะเรียกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์ได้ไหมเรียกไม่เรียกโดยรูปแบบเนี่ยมันได้แต่โดยโดยเนื้อในน่มันไม่ถึงโดยเนื้อในไม่ถึงเพราะไม่ได้มาครองชีวิตที่ประเสริฐพอมาอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้เป็นคนเกลี้ยกล่ด้วย สมมุตินะสมมตินะไม่ใช่พวกเราใครเห็นอะไรไม่พอใจหน่อยอก็โอ้โหพูดทันทีเลยใช้ไม่ได้เท่านี้ได้ไงเนี่ยเออที่พูดด้วยความกโกรธเนี่ยบอกว่าใช้ไม่ได้ทําอย่างนี้ได้ไงพอพูดมาอย่างนี้นะล่วงละเมิดศีลหรื อ, อยังล่วงหรื อ, อยังล่วงไหมล่วงถามจริงล่วงไหม มันพูดตอนนั้นความโกรธเกิดขึ้นหรือยังโกรธเกิดหรือยังแล้วล่วงละเมิดออกมาทางวาจาอยังอันนั้นถือว่าเป็นคําหยาบหรือไม่หยาบหยาบไหมพูดด้วยความโกรธนี่หยาบหรือไม่หยาบหยาบเนื้อเมื่อพูดด้วยความโกรธแล้วหยาบด้วยตอนนั้นเป็นศีลข้อไหนเป็นไหมเป็นศีลหรือไม่เป็นไม่เป็นแล้วผิดศีลหรือยังล่วงละเมิดหรือยัง เรื่องละเมิดเรียบร้อยแล้วนี่คือพระ ร, รูสว่าด่าวว่าจ้าหยาบเพราะจิตมันหยาบด้วยอกุศลเอาเมื่อตอนนั้นเน่ยจิตตอนนั้นอธิศีลศีลไม่เกิดเมือ่อศีลไม่เกิดชื่อว่าประพฤติพรหมจันทร์ข้อไหนตอนนั้นชื่อว่าชีวิตประเสริฐไหมเขาเรียกว่าไม่ถือพรหมจันทร์แล้วมีสมาธิไหมตอนนั้น เียถ้าเป็นสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาสมาธิแล้วปัญญาเกิดไหมไม่ศีลสมาธิปัญญาไม่เกิดจะเรียกว่าคองชีวิตหรือประพฤติพรหมจรรย์ได้งไงเ <c oughs> ข้าใจยัง <c oughs> ลำบากไหมเนี่ย คือตรงนี้มาว่าต้องการมาย้ำว่าเออตอนนี้เราฝึกให้เป็นระบบ <c oughs> ตอนเช้านั่งกรรมาฐานกันได้ดีั้มได้ดีไหม <c oughs> นั่งแล้วได้อะไรไ ด, ได้ได้ความหลับไหลหรือได้ความได้กำลังสมาธิ <c oughs> เออตรงนี้เห็น <c oughs> ไ, ไหมถ้าถ้าเราพื้นฐานเนี่ย พยายามปรับพื้นฐานให้ได้แต่พื้นฐานไม่ได้ น, นั่งกรรมาฐานไม่ได้จริงๆแล้ตรงนี้ที่จะมาบอกพวกเราก็คือี่จริงวันนี้จะพูดในเรื่องของหลักของการที่จะฝึกในด้านของใจนะเดี๋ยวตรงภาคบ่ายเนี่ยให้พระ ท่านมาปูพื้นฐานในเรื่องที่ให้เราได้ฝึกในเรื่องของฐานเนื้สีในเป็นนะเจาะมุมให้เข้าใจกันจริงๆนะจะภาคเช้าจะมีภาคการปฏิบัติ ด, ด้วยใช่ไหมภาคการปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วก็ฟังด้วยตอนนี้9ก้าโมงกว่าแล้วเหลือเวลาอีกชั่วโมงกว่านิดหน่อย ตอนนี้เวลาเวลายังไม่ได้พูดในเรื่องของการเจริญอนาบานสติเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเราจะพูดวันนี้พูดในรายละเอียดที่จริงอนาบานสติเนี่ยนามาจะไม่เจาะรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าเยอ ะ, ยอะมากเนี่ อยากจะพูดเพราะเป็นพื้นฐานเพื่อให้เราเนี่ยได้เกิดความเข้าใจแล้วเอาไปฝึกกันให้ได้นะเออในคอร์สอบรมในครั้งนี้ที่เรียกว่าสัมมาปฏิบัติเนี่ยจริงๆก็คือจะฝึกแต่เราจะเราจะทำทำทั้งระบบนะก็คือทั้งเข้าใจเรื่องทานเข้าใจเรื่องศีลแล้ว ก, ก็เข้าสู่การเจรนาณ า, าปนะนะนะ ก็คือการเจริญฝึกในการที่จะกำหนดดูลมหายใจเข้าแล้วเอาลมหายใจออกนะทีนี้ก่อนที่จะมาทำความเข้าใจตรงนี้ก็อยากให้เราเนี่ยได้เกิดความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องของ พระธรรมคำสอนเนี่ยามาจะไม่ขยายในรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่ามาเนี่ยกล่าวในเรื่องตรงนี้ไว้ค่อนข้างมากนะหลายแห่งหลายที่เนี่ยแต่ในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับบุคคลที่ปรารถนาในการที่จะประพฤติปฏิบัติจริงๆนะ ย, ยมเป็นผู้ที่มาขอกรรมฐานต้องการมาประพฤติปฏิบัติ อามาก็จะสมมุติว่าโยมเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติกันจริงๆนะคำสมมุติในที่นี้แปลว่าอามาเชื่ออย่างนั้นเออตั้งใจที่อยากจะมาฝึกฝนมาประพฤติปฏิบัติมาขัดเกลาวจริงๆทีนี้หลักการเบื้องต้นของผู้คนที่จะมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นจริงๆเนี่ยเขาต้องสแสวงหากัลยาณมิตรใช่สแสวงหากัลยาณมิตรใครเป็นกัลยาณมิตรให้กับเรา ก็คือพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วแล้วก็ตลอดถึงบุคคลที่เป็นผู้ชํานาญในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทั้งหลักข้อมูลความรู้และผ่านการฝึกฝนในการประพฤติปฏิบัติมาเป็นอย่างดีถ้าบุคคลประเภทอย่างนี้แหละก็เป็นกัลยาณมิตรที่จะเป็นพอจะเป็นที่ปรึกษาให้กับโยมได้ในการที่จะนําพาให้ข้อมูลที่อยากให้โยมนั้นได้ นำพากระแสชีวิตของตอนเองนั้ น, เ, นเข้าไปยึดโยงกับพระรัตนตรัยเออต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนที่จะเป็นเป็นกัญยาณมิตรให้กับพวกเราเนี่ยเมื่อคนนั้นจะต้องมีคุณสมบัตินะคุณสมบัติจริงๆก็คือปีโยคุรุภาวนโยโวตตาเจวาาจนาคโมคัมภีรัญจักกระถังกัตตานโนจัตฐานเนจานิโยชเชย์ั้นโยมต้องต้องรู้จักกัญยาณมิตรให้ชัด ถ้าอย่างนั้นยอมจะอ่านไหมว่าปีโยเนี่ยคนที่เป็นกัญยาณมิตรจะต้องเป็นคนที่น่ารักน่ารักน่าเคารพถามว่าคนที่เป็นกัญยาณมิตรจะเป็นคนที่น่าเกลียดได้ไหมได้ไม่ได้ถามว่ากัญยาณมิตรจริงๆเนี่ยเขาดูตรงไหนเ้าดูอะไรเขาดูอะไรเราจรึงรู้ว่าท่านคนนี้เป็นกัญยาณมิตรเบื้องต้นจริงๆเขาดูอะไรดูดูอะไรจากท่าน ยอมว่า ก, กัลยาณมิตรเนี่ยเขาดูอะไรคําว่าน่ารักเนี่ยน่ารักคือสถานที่สบายใจสนิทสนมชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถามตรงเนี้เขาดูกันในชั้นของศีลนะคนที่จะน่ารักหรือไม่น่ารักเนี่ยก็ดูพฤติกรรมที่ออกมาทางกายกรรมและทั้งวจีกรรมเป็นต้นคือน่ารักน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะท่านเป็นคนที่มีพลังของกําลังของเมตตาดีมาก คือใจนั้นประกอบไปได้วยเมตตากายกรรมคือทําอะไรก็ทํำด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลรับหลังแล้วก็เมตตาวจีกรรมเวลาพูดอะไรก็พ <Glass> ูดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังวิธีคิดของท่านก็คิดที่เป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนอย่างแท้จริงฉะนั้นกลุ่มบุคคลประเภทที่มีกําลังต้องการเจริญพรมวิหารธรรมดีเนี่ยอยันนี้เขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรใช่ไหม ประการต่อมาคือครูเนี่ยนาเคารพเนี่ยน้าเคารพก็คือในฐานะประพฤต์สมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้ เ, เคารพเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไปอยู่ใกล้ท่านเนี่ยมันปลอดภัยยอมเคยเคารพใครมากมากไเคารพพ่อแม่แล้วเวลาเราอยู่กับท่านอบอุ่นไหม อยากจะนอนหนุนตักท่านตอนเด็กๆกันนรู้ส mm ึกอบอุ่นเหมือนเราปลอดภัยกัลยาณมิตรจะมีคุณสมบัติข้อเนี้คือเข้ามาอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นมากเป็นที่เออเราจะปลอดภัยแล้วปลอดภัยจากภัยทั้งหลายท่านผู้นี้จะสามารถบอกกล่าวสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อกระแสชีวิตเราได้เป็นที่พึ่งได้เมื่อเราเกิดความคับข้อง อุปสรรคเจออุปสรรคปัญหาใดๆปรึกษาไตรถามและท่านสามารถชี้แจงให้เราได้เห็นแจ้งได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เราอบอุ่นได้เป็นที่พึ่งได้นี่น่าเคารพภาวนีโยก็คือน่าเจริญใจอันนี้คือน่ายกย่องในฐานะที่ทรงคุณก็คือความรู้นะก็คือทั้งด้านความรู้ก็น่าเจริญใจ ทั้งด้านการฝึกฝนขัดเกลาวในการประพฤติปฏิบัติก็น่าจเจริญใจอันนี้ก็คือกลุ่มกัลยาณมิตรวัตตาจะในที่นั้นก็คือรู้จักพูดให้ได้ผลรู้จักชี้แจงให้เข้าใจรู้ว่าเมื่อไรควรพูดอย่างไรแล้ว ก, ก็ให้คำแนะนำได้อย่างว่า ว, ว่ากาวตักเตือนเป็นต้นใดด้วยคืออย่างนี้พระวัตตาเนี่ยเป็นคนที่พูด รู้จักพูดรู้จักการกล่าวพูดคาจริงพูดคำที่เป็นประโยชน์พูดคำที่เหมาะแก่การพูดด้วยเมตตาเนี่ยวตาและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ว่ากล่าวได้แนะนำได้ว่าจะนักคโมในที่นั้นแปลว่าอดทนต่อถ้อยคำหรือพร้อมที่จะรับฟัง คำปรึกษาซักถามคำเสนอเนแะแล้วก็วิภาควิจารณ์อดทนฟังได้ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียวยอมเคยเจอครัวอาจารย์แบบนี้ไหมล่ะคือพร้อมพร้อมเดีเป็นคนไม่ฉุนเฉียวเราจะสอบถามปัญหายัางไงถามยังไงถามไปเถอะท่านจะไม่มีอาการออกมาทั้งสีหน้าแล้วแววตาให้เราเห็นเลยว่าท่านโกรธ พฤติกรรมที่จะไม่ออกมาเลยนะรับฟังได้ปรึกษาได้โอ้นี่มีความอดทนสูงนี่ครูบาอาจารย์ต้องต้องขนาดนั้นแล้วก็ถแถลงเรื่องที่ลึกซึ้งได้ถแถลงเรื่องที่ลึกซึ้งในที่นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงพูดเจาะข้อมูลที่ละเอียดให้ลึกลงเป็นตามลำดับได้สุดท้ายก็คือไม่นำ พาเราไปในทางที่เสื่อมที่เสียหายสามารถชักจูงเราให้ออกจากโทษออกจากบาปออกจากอากุศลเข้าหาความเจริญงอกงามแล้วก็นาําพากระแสชีวิตเข้าถึงความเจริญลุ่งเดืองได้เป็นต้นนิยอมยอมอย่างนี้นะฮะยอมเจอหรือยังคนแบบเนี้ยนี่คือกัลยาณมิตรเจประการเหล่านี้ได้แหละอันนี้คุณสมบัติทีนี้เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เข้าไปหา เข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาเบียเศก็คือไปมอบตนอย่างที่ทํากันนี่แหละเมื่อเข้าไปมอบตนแล้วในเบื้องต้นบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรทั้งหลายก็จะใ ห, ให้เรานั้นตั้งมั่นในศีลมทีนี้เมื่อวานแล้วเราเราสมาทานเรียบร้อยหรื อ, อยังเรื่องศีลสมาทานหรื อ, อยังถามยิงตอนนี้ศีลยังอยู่ดีไหม ยังอยู่ไหมแล้วเอาไปเจริญกันในวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวกุศลศีลแต่ละข้อเราไปชาระตลอดเลยไหมใครได้ชาระครบหมดหรือยังหมายความว่าเอาไปฝึกฝนทำให้เกิดทำให้มีขึ้นในกระแสชีวิตจริงๆใครทําได้บางยกมือได้ไหมได้ไปทําไหมได้ไปฝึกฝนไหมนอกจากพระนํานให้แล้วเนี่ย ในชีวิตจริงๆที่ยอมต้องไปกินอาหารไปเกี่ยวข้องไปเข้าห้องน้ำไปทำกิจต่างๆไปพบปะเจอกันทั้งหลายเหล่านี้ตัวกุศลศีลงดเว้นจากการฆ่าและใจที่เป็นไปกับเมตายังเป็นไปอยู่ไหมตอนนี้ความ <c oughs> ความหมงุดหงิดทางด้านจิตใจลดลงหรื อ, อยังลดลงไหมไม่โหดร้ายแล้วนะอ้าวลดลงแล้ว ไอความรู้สึกแล้วสีลข้อที่สองเราเดินได้ดีไหมเดินได้ดีไหมเอาจริงๆในทรงนี้นะนะเดี๋ยวได้ขึ้นสู่สมาธิแล้วสีลข้อที่สามแล้วเกิดความอบอิอ่มปราบปลื้มไหมที่ได้ถือพรหมจันปลื้มใจหรือไม่ปลื้มใจเศร้าใจหรือปลื้มใจปลื้มใจนะ แล้วได้พูดคำสัตย์คำจริงพูดคำที่เป็นประโยชน์พูดถูกการพูดด้วยเมตตาเวลาจะกล่าววาจาแต่ละครั้งเนี่ยมันออกมาจากความตั้งใจที่จะกล่าวให้เป็นศีลหรือไม่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใ จ, ใ ห, งใจหรือลืมไปเลยหรือเป็นปกติเคยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมอันนี้เ็าเรียกว่าไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติมุมมองใดๆนแะต่ต้องเปลี่ยน ตั้งใจตอนนี้เรากำลังจะฝึกกุศลศีลทางด้านวาจานะเรากำลังจะฝึกนะจะฝึกกล่าวคําจริงกล่าวคําที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่การและจะพูดด้วยเมตตาได้ฝึกหรือยังฝึกแล้วนะแล้วก็ภูมิใจที่ในกระแสชีวิตของเราไม่มีของมึนเมาและไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครเลย สีหน้าและแววตาของเราก็เป็นไปกับความรักความปราถนาดีความเมื่อทรได้ฝึกขัดขัดเกลาด้วยไม่ได้มีของไม่ได้ล่วงละเมิดไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องภูมิใจั้มภูมิใจที่ทำชีวิตของเราให้ประเสริฐไม่ประดับประดาตกแต่งสีผิวไม่เห็นแก่ตัญหาราคะที่นอนที่นั่งก็นอนอย่างนักประพฤติปฏิบัติจริง ถามว่าตรวจสอบศีลแบบนี้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าชาระศีลเบื้องต้นชาระศีลให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิห์หมดจอดเพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยศีละมรรคสมังคีก็คือว่าสัมมาวาจารสัมมากมตาสัมมาชีวะตรงนี้ก็คือเนี่ยทำศีลในมรรคให้เกิดก็คือว่าเว้นจาก เวรละเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จทั้งหมดสามารถตัดรอนได้มีเจตนาที่จะกล่าวเท็จเคยไหมเจตนาตั้งใจจะกล่าวโกหกเรางดล ะ, ละละได้แล้วเจตนาชั่วตรงนี้อกุศลเจตนาเจตนาชั่วที่ตั้งใจจะพูดส่อเสียดพูดให้คนแตกกัน เราก็ละได้แล้วอกุศลเจตนาความจงใจความตั้งใจที่จะพูดหยาบมีไหมที่โกรธแล้วจะพูดออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ได้มีการพูดด้วยความโกรธบ้างไหมไม่มีเลยใช่ไหมจะพูดแต่ละคำมีเมตตาออกไหมมีไม่มีเนี่ยตรงเนี้ยคือฝึก แล้วอกุศลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการพูดไร้สาระพูดเล่นมีไหมพูดเพิร์เจอพูดเล่นพูดขํพูดให้สนุกสนานนั้นเวลาเจตนาชั่วลายทั้งหลายเหล่านี้ละได้แล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าเวละเจตนาอากุศลชั่วลายทั้งหลายในใจที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จแล้วก็ละแล้วที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวส่อเสียดแล้วก็ละแล้ว ที่เป็นเหตุการ์กล่าวคําหยาบแลหยาบแล้วก็ละอคุณชเจตนาที่เป็นเหตุการ์กล่าวเพื่อชื่อเหลวไหลไร้สาระก็ละแล้วภูมิใจไหมใหญ่ความภูมิใจตรงนี้ที่เกิดขึ้นแปลว่าศีลมันเดินนี่ทางดําเนินตรงนี้กําลังเกิดในกระแสชีวิตแล้วเอาคิดบ่อยๆตรึกบ่อยๆไข้ควรบ่อยๆตรงนี้จะเป็นแรงหนุนเป็นตัวกระตุน้น ถ้ามันไม่เกิดเลยแปวลวารักษาศีลแบบไหนกันแน่นนี้ต้องใสยความเข้าใจจริงๆไหมถึงจะเกิดทีนี้เวรเจตนาโกศลที่เป็นเหตุแห่งการกระทําละเมิดออกมาทางกายเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการคิดฆ่าอยากจะฆ่าหรือโหดร้ายในการที่ไปทุจร้ายเบียดเบียน เราก็ละแล้วละยังเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการที่จะคิดหยิบคิดฉวยของในที่นี้ทั้งหมดที่มาเป็นของตนโดยไม่ได้ขออนุญาตละยังละเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการคิดอยากจะไปล่วงละเมิดประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ถูกตัดรอนไหมละได้แล้วสรุปแล้วกายสะอาดได้ยัง กายสะอาดวาจาสะอาดเอ้าต่อไปดูเวลาเจตนาชั่วร้ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพที่ผิดมิจฉาชีวะที่ผิดล่าไหมค้าขายน้ําเมาค้าขายยาพิษค้าขายสัตว์เป็นเป็นต้นเหล่านี้นะนั่นเป็นหลักการแต่หลักการจริงๆคือว่าไม่มีเจตนาชั่วร้ายในการไปแสวงหาอาหาร ในเรื่องที่ผิดคือไม่ไปพูดโกหกเพื่อได้อาหารมาเคยทำไหมไปพูดเทจไปพูดโกหกไปพูดส่อเสียดเป็นต้นเพื่อให้ได้อาหารมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ได้ทาเรื่องนี้ไหมละได้อย่างเจตนาชั่วร้ายที่ไปห า, หาที่อยู่อาศัยเออเราจะพูดเนี่ยฉันอยากได้ที่นอนอย่างนี้เนี่ยเพราะสุขภาพฉันไม่ดีอะไรต่างพูดหลอกเขามีไหม ไม่มีนะไอเจตนาเหล่าเนี้ยเจตนาชั่วร้ายที่บอกว่าโอโ้จะนั่งกรรมฐานเพราะฉันปวดหัวขอยาหน่อยมีไหมเจตนาชั่วร้ายที่จะไปกรอบอาชีพผิดอย่างเงี้ยมีไม่มีคือหลอกเขาอยากจะได้อาหารมาเพืจะได้ขอไปพักผ่อนนอนหลับหน่อยเนี่ยมีไหมเจตนาแบบนี้ลักได้แล้วนะสรุปแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้เจริญสัมมาวาจาคือเจริญวจีสุจริตแล้ว ข้าพเจ้าจเจริญสัมมารกรรมตะคือกายสุจจริตแล้วข้าพเจ้าจเจริญสัมมาอาชีวะมีอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วดีจริงหนอข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลข้าพเจ้าเป็นผู้มีกายาณธรรมได้อย่างศีลนี่ฝึกตัวเองเนี่ยศีลเมื่อศีลหมดจอดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเป็นศีลวิสุทธิ ตรงนี้แหละต่อไปจะมาเข้าเรื่องในการฝึกในการเข้าใจในเรื่องของสมาธิสิกขาสมาธิสิกขาในที่นี้ก็เป็นชื่อของความเพียรเป็นชื่อของสติเป็นชื่อของสมาธิพระเจ้าแสดงว่าสมาธิงพิกเวบาเวทสมัยโตพิกเวพิกขุยะถาภูตังประชานาติ กินจะยะถาปูตังประชานาติอีทางทุกขันจะทุกขันติยถาปูตังประชานาติอายังทุกขสมุทัยโยติยถาปูตังประชานาติอายังทุกขานิโรโธติยถาปูตังประชานาติดีทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาติยะถาปูตังประชานาตินี่ในในคำพีสั่งยศนี่พัฒ์เป็นพุทธพจน์นะเอาพระแปล่ฟังหน่อยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงถามว่าย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอะไรตอบว่าเมื่อจิตเป็น อัปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิอปนาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอย่างดีกำจัดนิวรธรรมได้แล้วก็จะรู้ชัดตามความเป็นจริงก็หมายความว่ารู้จริงโดยประการต่างๆอย่างไม่วิปริตผิดเพี้ยนตามความเป็นจริงว่าสภาวะนี้เป็นทุกขสัจจ์แล้วก็จะรู้จริงโดยประการต่างๆอย่างไม่วิปริตผิดเพี้ยนว่าสภาวะนี้เป็นสมุทัยสัจจ์ คือเหตุให้เกิดทุกข์และจะรู้ตามความเป็นจริงโดยประการต่างๆอย่างไม่วิปริตผิดเพี้ยนว่าสภาวะนี้เป็นนิโรธาสัจจะคือพระนิพพานคือสภาวะที่ดับวัตถุทุกข์ได้และจะรู้ตามความเป็นจริงอย่างไม่วิปริตผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงว่าสภาวะนี้เป็นมัคสัจจะคือทางดาเนินเครื่องดาเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ คือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจเจริญสมาธิกล่าวคือความตั้งมั่นแห่งจิตเถิดเห็นไหมพระเจ้าบอกว่าถ้าต้องการจะปฏิบัติถ้าต้องการจะเจริญวิปัสนาต้องตั้งใจในการที่จะฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวด้วยกำลังของสมาธิเถิดถ้าไม่ได้ฝึกผนอบรมที่จะทำจิตของตนเองให้ตั้งมั่นด้วยกำลังของอุปจารสมาธิหรืออปนาสมาธิแล้วจะไม่สามารถรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องมาฝึกในการเจริญอาณาปนาสติสมาธิเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อจะเข้าใจอย่าง นี่เหตุผลคือพุทธพจน์ ท, ที่พระเจ้าตรัสเขาไว้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะว่าอ๋อเหตุผลก็คือจะต้องมาเจริญสมาธิทีนี้สมาธิเนี่ยเป็นองค์มรรคข้อสุดท้ายที่พระเจ้าแสดงเข้าไว้ในมรรคแปนะสำคัญที่สุดด้วยสัมมาสมาธิเนี่ยสมาธิธิสัมมาสังกปะเป็นชื่อของปัญญา สัมมาวจาสมากรรมตาสมมาชีวะเป็นชื่อของศีลสัมมาวายมะความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบเนี่ยอันนี้เป็นชื่อสมาธิฉะนั้นสัมมาสมาธิข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจแล้วจะได้นำมาฝึกผนในการประพฤติปฏิบัติกันเป็นข้อที่มีเนื้อหา สำหรับที่จะทําความเข้าใจและสําหรับที่จะต้องนํามาฝึกฝนเพียรพยายามเนี่ยในยขั้นลึกซึ้งเป็นไปอย่างละเอียดประณีตเห็นไหมทางด้านของการเจริญทานกับศีลเนี่ยเป็นกุศลเบื้องตน้นเป็นกุศลธรรมเบื้องต้นที่จะต้องฝึกจะต้องปรับให้เกิดความรู้ความเข้าใจและต้องฝึกฝนเป็นตามลําดับ แล้วก็จะได้พัฒนาสู่การปฏิบัติที่ลึกลงไปเขาเรียกปฏิบัติเริ่มเชิงลึกหลายๆคนเนี่ยถ้าปฏิบัติเชิงผิวเผินเนี่ยเริ่มไม่ค่อยยากแต่ถ้าจะเริ่มปฏิบัติในเชิงลึกซึ่งลงไปเข้าสู่กําลังของสมาธินี่ชักชักไม่ไปแล้วใช่ไหมเพราะมันค่อนข้างจะลึกไหมเราจะปฏิบัติในขั้นห ย, ยาบๆได้ถ้าปฏิบัติเชิงลึก ที่จะทำให้จิตตั้งมั่นหนึ่งเดียวเนี่ยเราจะเจอปัญหาอะไรเบื้องต้นใครเจอปัญหาความฟุ้งซ่านบ่อยกับเจอปัญหาหลับบ่อยสังเกตัม้มมันจะมีสองตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้ามันลึกๆ ล, ล, ล, ลึกลงไปเนี่ยบางคนก็ไปไม่ได้มันเหมือนเหมือนเราจะเดินขึ้นสู่ในที่ลึกๆเนี่ยก็เดินเดินเดินเดินเดินลงไปปุ๊บเป็นไงรู้สึกว่าไปไม่ได้ คือเราไม่มีพลังพอหรือไม่ได้ฝึกฝนพื้นฐานในดีพอเกิดความกลัวความอะไรเยอะแยเหมือนเหมือนเราเดินก็ไปในในที่ลึกๆคนที่ไม่มีพลังใจเพียงพอไปไม่ได้ไปไม่เป็นฟุ้งเลยแต่นี้กลัวเลยฟุ้งซ่านเลยนี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งพอไปก็จริงๆแล้วมันมืดไปไม่เป็นแหละเลยไม่ไปต่อแล้วนิ่งอยู่ตรงนั้นหลับไปเลยเหมือนกัน เห็นคนที่จะฝึกเชิงลึกลงไปตามลำดับเนี่ยจะต้องฝึกพื้นฐานกำลังใจต้องดีไหมศรัทธาในพุทธคุณศรัทธาในพระพุทธเจ้าต้องแข็งแรงไหมเชื่อมั่นยอดกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าต้องมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนไม่โยกคลอนเมื่อเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าก็เชื่อมั่นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเมื่อสักครู่ พระเจ้าบอกสมาทิงพิกเวบาเวถาสมาอิโตยะถาปูดังวชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุณีทั้งหลายดูก่อนอุบาสกทั้งหลายดูก่อนอุบาสิกาทั้งหลายคําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยเป็นประธานเอาภิกษุเป็นประธานในนนะแต่รวมถึงพู้ตุบริษัททั้งหมดเดี๋ยวเราไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยไปฟังคำเนี่ยพระบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายโอ้ไม่เกี่ยวกับเรา คิดอย่างนั้นไว้แล่วแท้จริงนั่นแหละเขากล่าวภิกษุเป็นประธานเหมือนสับคาว่าราชาอาคาโตะราชาคาโตคือพระราชาสเสด็จเนี่ยเวลาพระราชาสเสด็จเนี่ยมาแต่พระราชาไหมมีอามาต ร, ราชบริพันได้ไหมมีไม่มีเออนั่นแหละกล่าวพระราชาไปว่าจบนี่เหมือนการกล่าวภิกษุเนี่ยอีกสามบริษัทชื่อว่าชื่อว่าต้องกล่าวด้วย ถ้าพูดถึงว่าภิกษุต้องปฏิบตัติบริษัทที่เหลืออีกสามต้องปฏิบัติด้วยถ้าบอกภิกษุเธอจงเจริญสมาธิอีกสมบริษัทคือภิกษุณีอุบาสกบสิกาก็ต้องเจริญสมาธิด้วยถึงจะพ้นทุกข์ได้ไม่มีข้อเว้นว่าอุบาสิกาอุบาสกนี่ไม่ต้องทำไม่มีนั้นพึงเข้าใจพุทธประสงค์ให้ชัดถ้าไม่เข้าใจพุทธประสงค์ เดียวเราก็อ้เรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องของพระฉันเองเป็นคราวาสฉันก็ปฏิบัติไม่ต้องฝึกสมาธิไม่ต้องเจริญสมาธิถ้าไม่เจริญสมาธิองค์มรรคจะขาดไปกี่องค์องค์มรรคมีเท่าไหร่แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประเป็นชื่อของปัญญาสิกขาสัมมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะเป็นชื่อของศีลัสิกขา สัมมาวายามะสมาสติสมาสมาธิเป็นชื่อของสมาธิสิกขาจะขาดไปสามมีมนุษย์หน้าไหนบรรลุได้ด้วยองค์มรรคไม่ครบแปดมีไหมไม่มีเออเมืงอกี้ามาใช้คำว่ามนุษย์หน้าไหนไม่มีนะ <c oughs> ไม่มีฉะนั้นการบรรลุเนี่ยจะต้องประชมองค์มรรคแปดต้องประชุมองค์มรรคแปด ถ้าใครบอกว่าสมาธิไม่ต้องเจริญก็บรรลุได้แปลว่าท่านผู้นั้นพูดขัดแย้งกับใครขัดแย้งกับใครไม่ใช่ขัดแย้งอธรรมนะไปขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าถ้ายอมไปพูดยอมไปพูดขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าแล้วเราเป็นสาวกของพุทธเจ้าเป็นบริษัทพระพุทธเจ้าไปขัดแย้งกับาศาสดาของตนเองสมควรหรือไม่สมควรสมควรไหย ไม่สมควรไม่ไม่สมควรต้องปรับทัศนคติปรับทิศทีปรับความเห็นของเราให้สอดคล้องกับพระเจ้าหรือปรับคําสอนพระเจ้าออกทิ้งไปให้ตามความเห็นของเราแล้ยจะปรับอะไรปรับใครเออเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าใครเป็นศาสดาไปไปมาเดี๋ยวก็จะเข้าใจตัวเองผิดและอย่าไปแปลงอย่าไปดัดแปลงอย่าไปดัดแปลงว่า พระเจ้าหมายเอาเฉพาะขันนิกาสมาธิเท่านั้นอย่าไปหมายอย่างนั้นอย่าไปดัดแปลงเด็ดขาดนะดดัดแปลงขึ้นมามันจะเป็นอันตรายต่อผู้พูดและผู้เข้าใจและจะเป็นการขัดขวางการเจริญงอกงามในพระธรรมวินนะัยนเพราะคำว่าสมาธิเนี่ยท่านกำกับไว้เลยได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุธาฌาน แล้วก็รูปฌานอีกสี่เป็นแปดแล้วก็อุปจาแลสมาธิอีกหนึ่งเป็นเก้าสมาธิเก้าอย่างนั่นแหละเรียกว่าสมาธินั่นแหละต้องฝึกให้ได้สมาธิในเก้าอย่างนี่แหละถ้าไม่ได้จริงๆเลยนะเอาอุปจาแลสมาธิให้ได้ไม่ใช่แค่ขันนิกะสมาธิ <c oughs> นะยากไหม ไม่ยากถ้ายากทำไมเ้าทำกันได้เยอะแยะหมดใช่ไมไอ้ที่ยากเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำไงหายใจทั่วท้องไหมเริ่มชื่นใจไหมฟังเนี้ยชื่นใจหรือไม่ชื่นใจต้องชื่นใจสิการรู้ความจริงเนี่ยการรู้ความจริงมันจะได้อะไรนึรู้ความจริงก่อน 2มันถึงจะถือเอ า, เอาประโยชน์จากความจริงได้แต่ถ้าไม่รู้ความจริงเราจะถือเอาประโยชน์จากความจริงได้ไหมมันเสียตั้งข้งแรกฉะนั้นั้งแรกต้องรู้ความจริงก่อนว่าสมาธิที่พระเจ้าทรงมุ่งหมายคืออุปจารสมาธิละอัปนาสมาธิสมาธิก้าวอย่างงั้นในแง่ปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดกว้างขวางเนี่ย ถ้าไม่สามารถฝึกสมาธิเป็นพื้นฐานเราจะไม่มีสถานที่ปฏิบัติการในการเจริญวิปัสนาปัญญาได้เลยเขาเรียกไม่มีสนามไม่มีสนามรบนั้นที่กรณีที่เราจะไปจัดการกับกิเลสถ้าไม่มีสมาธิเป็นฐานของท่านผู้นั้นท่านผู้นั้นจักเดินวิปัสนาปัญญาไม่ได้เลยจะเดินไม่ได้ เพราะไม่มีสนามปฏิบัติไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ฝึกฝนอย่างที่บอกไว้สมาธิที่ตั้งอยู่บนศีลด้วยนะใช่ไหมยอมมีศีลแปดตอนนี้เป็นตัวค้ำไว้ใช่ไหมเป็นหลักค้ำไว้ทุกข้อเลยไหมตอนนี้เสาเข็มคือศีลแต่ละข้อตอนนี้ปักแน่นหรื อ, อยังแน่นไหมในกระแสชีวิตปักไว้กี่เม็ด อ้างดเว้นจากการฆ่ายาวไหมเสาเนี้ยรู้สึกว่ามั่นคงดีไหมงดเว้นจากการลักทรพั พ, รร ย, พรรย์มั่นคงดีไหมเสาเนี้ยประพืชพรมอาจารย์ถือพรหมอาจารย์เนี่มั่นคงดีไหมมั่นคงไม่โยกไม่คลอนไม่แคลนนะไม่ใช่ปักไว้แค่นี้นะงดเว้นจากการพูดเทดสอบสเยียข้ามยาเพอร์เจอร์นี่เสานี้แน่นไหมแน่นนะแล้วก็ ไม่มีของมืนเมาก็สู่กระแสชีวิตเลยเนะี่ยเสานี้มั่นคงดีไหม<อ>ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วแหมรู้สึกสิกขาบทข้อนี้มั่นคงดีเหลือเกินชื่นใจทุกครั้งเห็นคนกินอาหารอร่อยอร่อยเห็นของกินเ ค, ค้กกินอะไรดีๆงามๆต่อหน้าต่อต า, ต า, ตาก็รู้สึกชื่นใจทุกครั้งเลยเมื่อเห็นไม่เคยอิจฉาริษยาเลยแหมรู้อย่างนี้ไม่สมาทานดีกว่ามีไหมมีความคิดแบบนี้ไหมอีเสานี้ก็มั่นคงนะ ไม่แต่งตัวไม่ถือไม่เครื่องประดับทั้งหลายไม่ดูการอะไรใดทั้งหลายมั่นคงไหมไม่นอนในที่นอนใหญ่และสูงเป็นต้นก็มั่นคงเนี่เรียกแปดหลักนี่มั่นเลยแล้วยังมีหลักย่อยๆล้อมอีกก็คือมีเกลียพื้นที่เรียบเลยไม่ใช่มีแค่หลักเสาเข็มอย่างเดียวพื้นที่มั่นไหมมั่นคงหมดเลยถมที่ไว้อย่างดีคือตัวกุศลนี่อื่นๆไม่เรียบร้อยมากมั่นคงแน่นหนาะเออนี่แหละ อันนี้จะเป็นฐานของสมาธิที่มั่นคงเอกคตาจิตจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มั่นคงจะตั้งอยู่บนกุศลศีลที่มีหลักที่มั่นคงแบบเนี้ เ, เห็นพวกเราน่าชื่นใจนะเห็นว่าเสาหลักมั่นคงดีเห็นคนที่จะปลูกบ้านเนี่ยเดินเดิ น, เ ด, นเดินไปตรงไหนมั่นใจหมดเลยเจุดนี้ก็ไม่สุดจุดนี้ก็ไม่สุดจุดนี้ก็ไม่สุดใช่ไหม ยอมคิดอย่างนี้ไหมแหมนี่โอ้โหเราตอกหลักไว้มั่นคงขนาดนี้มีหรือที่จะก่อสมาธิขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันยอมเชื่อมั่นมว้ว่าถ้าลงเข็มขนาดนี้เป็นร้อยร้อยต้นเนี่ยนี่เนี่ยสถานปฏิบัติธรรมที่ยิ่พุทธจะขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมและจะต้องตั้งเป็นร้อยร้อยปีด้วยเพราะเราลงเข็มไว้มั่นคงมาก ยอมมั่นใจไหมว่าศีลเราดีขนาดนี้สมาธิจะต้องมีฐานรองรับมั่นคงแน่นอนมั่นใจไม่มั่นใจถ้าไม่มั่นใจต้องไปทำอะไรต่อ <c oughs> ไปปักหลักให้มันมั่นใช่ไหมที่พูดนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเลยนะสาคัญไปไม่ยอมลงเข็มกันเลยเนี่ยเนี่ย อืดอาจเฉยชายช้า<笑><笑>แล้วมาจะสังเกตได้ด้วยนะเวลามันเจริญกรรมฐานปุ๊บเนี่ยรู้เลยนี่หลักศีลไม่ดีหลักพื้นฐานไม่ดีแล้วเนี่ยโยกแล้วบางคนโยกคลอนโยกคลอนเอ้ามั่นใจสมาธิก็แปลว่าความตั้งมั่นของจิต ภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กําหนดเห็นไหมเมื่อเมื่อจิตเนี่ยถูกหลอมด้วยกุศลศีลอย่างดีแล้วมีความตั้งมั่นมั่นคงอย่างดีแล้วเนี่ยเวลามากําหนดโอ้โหแน่วแน่มากสมาธิจะเกิดง่ายมากเพราะมีฐานของกุศลศีลที่หลอ่อหลอมคุณภาพชีวิตเป็นอย่างดีแล้วเป็นอย่างดีแล้วเวลาจะกําหนด ในเชิงลึกขึ้นไปอย่างไรก็ยิ้มเหมือนคนสร้างตึกนี่แหละจะต่อขึ้นยังไงยังไงก็ไม่ไม่กังวลเลยและฐานล่างไม่เคยไม่เคยจะหวั่นไหวเลยนะมั่นคงมากจะเอาอิฐเอาแท่นปูนหนาะหนาะมาวางมาวางมาวางมาวางมาวา ง, าวางยังไง ก็รู้สึกไม่สุดลงไปเลยไม่สุดเลยนี่เหมือนกันพลังของสมาธิจะระดับไหนก็แล้วแต่ระดับสมาธิเบื้องต้นสมาธิที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปขนาดไหนนะรู้สึกมันรับได้หมดเลยแล้วจะเป็นฐานรับได้อย่างดีเลยมั่นคงมากมันต่อกันอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่อย่างอย่างชนิดที่ว่าจดจ่อในอารมณ์เดียวได้อย่างมั่นคงเลยนี่แปลว่า ทั้งหมดเหล่านี้ยึดยงกันหมดไหมยึดโยงกันหมดเลยนี่แหละเขาเรียกว่าสมาธิก็คือว่าจิตตัดเสกขตาก็คือว่าเอกคตาที่แปลวภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวงั้นการที่จิตเนี่ยกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านหรือไม่สายไปไม่สายไปก็สมาธิคือภาวะที่มีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศ ล, ลจิต หไม่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นกุศลจิตด้ น, นะเป็นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วไร้มนทินเป็นจิตที่ไม่มัวหมองนะเป็นจิตที่ไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวเป็นกำลังของจิตที่สะอาดด้วยและเป็นไปกับความสุขด้วยแกนหลักของกุศลจิตที่เป็นสมาธิจะมีปัญญาเป็นความรู้ความชาญฉลาดเป็นแกนหลักเดินนะตรงนั้นนนี่แหละก็คือว่า หมายถึงการดำลงจิตและเจสิกไว้ในลมหนึ่งเดียวอย่างเรียบสมา่าเสมอเรียบสมา่าเสมอแล้วก็ด้วยดีนี่เป็นอย่างนี้จิตที่เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้นั้นจิตที่จะตั้งเรียบสมา่าเสมอไม่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นยกตัวอย่างเช่นเวลากำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนะจิตจะเรียบ แล้วก็ตั้งมั่นและสม่ำเสมอแล้วก็เป็นไปด้วยดีอะเดี๋ยวยมลองนั่งดูกันหน่อยสักนิดนึงนะลองลอ ง, ลองนั่งให้ตรงๆงดูเราฟังไปด้วยแล้วลองฝึกไปด้วยแล้วมันจะมันจะค่อยๆหลอมเข้าไปเห็นว่าทีนี้การเจริญอา น, นาปานสติคือการ การกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่นะก็คือต้องการที่จะทําให้จิตนั้นนะ่ยกุศลจิตดารงแน่วแน่แนวลมหนึ่งเดียวเนี่ยอย่างราบเรียบแล้วก็สม่ําเสมอเป็นไปด้วยดีนี่นะเพราะปกตินี่นะวิธีการที่จะเจริญสมาธิเนี่ยเบื้องต้นเขาให้ปรับปรับอะไรก่อนปรับร่างกายก่อนนีปรับร่างกาย การนั่งจะมีการนั่งหลายแบบนะนั่งเอาขาทับกันที่เรียกขาขวาทับขาซ้ายเป็นต้นลักษณะอย่างนี้ mm hmm. เขาเรียกนั่งแบบไทยนั่งแบบไทยนี้จะมีปัญหาหน่อย mm hmm. เวลาขาทับกันนานๆแล้วจะชาแล้วจะหมึนง่ายเออมันจะมันมันจะชาง่ายแล้วจะปวดเร็วอันนี้นั่งแบบไทยแต่ถ้านั่งแบบออแขกแบบอินเดียเนี่ย ยอมเห็นขาดสมาที่เพชรไหมหงายฝ่าเท้าขึ้นทั้งคู่อะ่ะเอออย่างงั้นก็แล้วยังนั่งแบบแขกอันนี้ก็จะเมื่อยเร็วมากนี่จะเมื่อยเร็วมากแต่ถ้านั่งแบบพ่อหมา่าเขานั่งเขานั่งเรียงขาเอาขาเรียงเรียงไว้กับพื้นแล้วถ้าเรียงไว้กับพื้นจะมีปัญหานิดนึงถ้าหากไม่มีอะไรรองที่ก้นให้สู ง, สง แต่ถ้ามีเบาะมีฟูกอย่างเงี้ยลองก้นไว้สูงๆนี่ไม่เป็นไรเออเนะี่ยเราอาจจะพับก็ได้เนะีพับข้างหลังขึ้นมาเอออย่างเงี้ยนั่งเรียงขาได้เลยเนี่ยเบาะฟู ก, ก, ฟกหรือที่นั่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยเนี่ยพอใช้ก้นให้สูงขึ้นแล้วขาก็จะเรียงพอดีถ้าลักษณะอย่างนี้จะไม่ทับกันและจะนั่งได้นานและจะนั่งได้มั่นคงดีด้วยอันนี้จะนั่งได้ดีในด้านหลังของฟูกเราเนี่ยเห็นไหมไมันจะสูงพอดีนะ เออเ น, นี่ยจะสูงพอดีเนี่ยนั่งเรียงขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกปรับท่านั่งวิธีการแรกจริงๆก็เรียกการปรับท่านั่งให้ชัดก็คือทําด้านหลังเอาเลยรองก้นให้สูงนี่หลังมันจะตรงหลังจะตรงแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ง่วงเยอะอย่างางี้ใครมันง่วงบ่อยอย่างงี้อ้าวพอพอนั่งได้อย่างนี้แล้วเนี่ย ก็คลายร่างกายทั้งหมดใช้ความรู้สึกนะคือตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงเท้านี่มันจะมีส่วนตึงส่วนเกร็งทั้งหลายเหล่านี้ให้คลายนะใช้กำลังของสมาธิใช้กำลังของกุศลจิตใช้กำลังของความพ่องใสของจิตนะต้องทำจิตให้อลาเลิงอัฏาาน้วยนะคนจะปฏิบัติเนี่ย ไม่ล่าเริงได้ยังไงคนที่มีความเชื่อมั่นนักปฏิบัติคือเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าฐานของกุศลศีลที่เราสมาทานไว้อย่างมั่นคงเนี่ยเราได้ฝึกฝนอบรมแล้วก็ทํามาอย่างดีแล้วมั่นใจแล้วดูศีลแต่ละข้อแต่ละข้อนี่ชื่นใจชื่นช่ำใจหมดแล้วไม่มั่นใจได้งไงใช่ไหมแล้วก็นึกถึงพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ลองคิดดูที่เราเนี่ยมี ม, มีทั้งศรัทธาเป็นเพื่อนที่ไปยึดโยงกับพระรัตนตรัยก็เหมือนมีพระเจ้านี่แหละคอยคอยอยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยมันจะไปง่อยเหงาเศร้าซึมได้ยังไงมันก็จะมีความล่าเริงผ่องใสอบอุ่นประดุดดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคอยบอกกล่าลวเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันจะไปมันจะไปง่อยเหงาได้งไงใช่ไหม นั้นจิตก็ล่าเริงก็คลายส่วนต่างๆของร่างกายที่เกร็งคอเกร็งไหลเกร็งทั้งหลายเหล่านี้ตาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนี่ปรับทั้งหมดเลยปรับก็คลายทุกส่วนแล้วตอนนี้นี่แปลว่าจบแล้วทั้งด้านร่างกายต่อมาก็ทางด้านจิตใจจิตใจที่ยังห่วงกังวลวิตกคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นให้สมาทานในใจว่าวาระนี้ ไม่ใช่เป็นวาลาในการที่จะมาวิตกกังวลห่วงหาอะไรอววรอะไรเลยการงานทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานญาติมิตรเรื่องราวต่างๆทั้งหลายวางให้จบวาระนี้เป็นเวลาแห่งการประพฤติปฏิบัติแห่งการขัดเกลารวานเราเราไม่ควรเป็นคนที่วิตกกังวลถึงอดีตถึงอนาคตอะไรเลยเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะ เราจะไปมัวกังวลอะไรเลยอยากทำเรื่องนู้นอยากทำนี้วางวางให้หมดเขาเรียกว่าปล่อยด้วยปล่อยแล้ววางด้วยไหมปล่อยแล้วก็วางทิ้งไปเถอะเ ว, วาลา น, นี้เราต้องการจะเจริญกุศลเอาพอตั้งใจอย่างนีเ้เสร็จแล้วก็ให้ดูนะ้อร่างกายทุกส่วนไม่เกร็งแล้วพอไม่เกร็งก็ก็หลับตา ดูด้นะอย่าไปนั่งงออย่าไปงออย่าไปเกร็งจนมากเกินไปในะนั่งแบบสบายๆการเจริญอาณาปณสติเนี่ยเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการฝึกในการเจริญอาณาปณสติที่ที่จะเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด สำหรับคนทั้งเลยไหมก็เรียกเป็นทำเป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าทำเครื่องเป็นเครื่องอยู่ของพรหมเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระริยาทั้งหลายด้วยเป็นวิหารธรรมเนี่ยก็เลยเป็นตถาคตวิหารเป็นอริยวิหารเป็นพรหมวิหารเลยเออฉะนั้นก็แปลว่านี้ตอนนี้เราจะฝึกในการเจริญนาน า, นานบรรณสติเพื่อทําเครื่องอยู่ให้กันตนเองแล้วนี่ก็ปรับอย่างนี้นะ พอปรับอย่างนี้เบ็ยดเสร็จแล้วแต่นี้ก็เห็นไหมลมหายใจเนี่ยให้สังเกตก่อนนะอย่าเพิ่งกําหนดอย่าเพิ่งไปจี้หรือกําหนดเลยทีเดียวให้นั่งสบายๆก่อนแล้วหายใจเป็นปกติไม่ต้องไปฝืนว่าจะหายใจยาวจะสั้นหรือช้าหรือเร็วให้เป็นปกติอย่าเพิ่งไปกําหนดก่อนให้นั่งแบบพักผ่อนไปก่อนพักผ่อนแบบสบายๆไปก่อนเหมือนเราพักผ่อน แบบไม่ต้องทำอะไรเลยเนะี่ยไม่ต้องทำอะไรไปเลยไม่ต้องไปใส่ใจหรือสนใจอะไรก่อนเนี่พักผ่อนอย่างนี้นะทาจิตของเราให้สงบปรับร่างกายให้คงที่เบีดเสร็จเหมือนเรานั่งพักที่ดีที่สุดแต่ไม่หลับพักแบบไม่หลับไม่ฟุ้งแบบพักแบบสบายสบ า, างี้ยนะแล้วก็ให้สังเกตมันจะมีความรู้สึก ก็หายใจออกมีความรู้สึกหายใจเข้าอยู่ยมีความรู้สึกหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกอยู่มันจะมีความรู้สึกอยู่นั่นเนี่เราก็ค่อยสักระยะหนึ่งเราจงค่อยเอาความรู้สึกในวางไว้ที่ลมเข้าและลมออกนะทีนี้ไปวางไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยชนิดที่เราไม่ต้องไปตั้งใจฝืนใจในกรณีที่จะหายใจสั้นหรือยาว เพราะลมหายใจเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วอนาปนาสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่จเจริญง่ายก็ตรงที่เราไม่ต้องไปฝึกอะไรเลยฝืนอะไรเลยเพราะธรรมชาติของลมมีของเขาอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องไปตั้งใจที่จะหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเร็วหายใจช้าไม่ต้องอย่าไปจงใจทำขึ้นเพียงให้รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออก รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกยัไมให้ทีนี้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกอย่าตามลมเข้าไปข้างในนะแล้วก็อย่าตามลมที่วิ่งออกไปข้างนอกให้ดูที่จุดที่บริเวณตรงปลายจมูกรือริมที่ปากอย่าไปดูจี้ลงไปนะไม่ไม่นะให้ดูเบาเก่อนดูเบาๆางห่างนิดนึงถ้าไปจี้ลงไปทีเดียวเดี๋ยวมันจะไปจี้ติดเลยทีเดียวยพยายามดู เบาๆเองแต่มันก็รู้อยู่ว่าถ้าเข้าถ้าเข้ามันจะค่อยๆวิ่งออกแล้ววิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้านี่ลมนีนะเนี่ยให้ทําความรู้สึกว่าตอนนี้หายใจเข้านี่หายใจออกให้รู้ตัวนะว่าตอนนี้เข้านะตอนนี้ออกตอนนี้เข้าตอนนี้ออกให้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะให้จิตใจสงบ แล้วก็เยือกเย็นและเป็นไปอย่างติดต่อราบเรียบเป็นไปอย่างสม่ำเสมอนี่เข้านี่ออกนี่เข้านี้ออกนะให้ให้ทำความรู้สึกอย่างนั้นนี่สําหรับผู้ที่ทําโดยไม่ต้องนับลองดูก่อนนะยะจะดูว่าพอทำกันไหวไหมถ้าแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวบอกอีกวิธี เอาละเดี๋ยวลองลืมตาดูก่อนอันนี้ปึกพอเป็นพื้นฐานกันนะเออใครโดยส่วนใหญ่ได้ไหมดูลมเผอบ่อยไหมใช้เวลาแค่นี้เผอบ่อยไหมถ้าใครไม่เผอเลยอันนี้ถือว่าทำไปในรูปแบบนี้ แต่ถ้าหากว่ากลุ่มนี้ฟุ้งนับดูเข้าดูออกไม่เห็นเลยฟุ้งไปทั่วหรือไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวก็หลับเผลออันนี้กลุ่มนี้ต้องนับนะให้หายใจเข้านะหายใจเข้าให้รู้เข้าแล้วออกนับหนึ่งเข้าออกสุดนะนับสอง เข้าออกสุดแล้วนะนับสแต่เห็นลมได้นะไม่ใช่อยู่ที่ตัวแรขอย่างเดียวนะเข้าออกนับสี่เข้าออกนับห้าเข้าออกห เ, เข้าออกนับ7เข้าออกนับ8เข้าออกเนี่ยนะ 1ถึง8ก็ได้ถึง9ก็ได้แต่ถึง8ไมอย่ากเกิน10แล้วก็มาเริ่มต้นเข้าออกนับ1เข้าออกนับสองอย่างนี้คือกลุ่มหลับกับฟุ้งให้เอาตัวเลขมาช่วยประคองนนั่งไปปุ๊บมันก็ไปแล้วเี้ยที่หลับไปเลยเี้ยฟุ้งไปเลยเนีย่กลุ่มนี้ไม่มีประโยชน์ต่อให้ทำนานขนาดไหนพลังของจิตก็ไม่แข็งแรงไม่ตั้งมั่น ต้องนับประคองนะต้องอย่าเผลออย่าหลับอย่าฟุ้งได้เพราะจะต้องให้มาอยู่กับตัวเลขคอยช่วยประคองประคองไปแล้วที่สุดจริงๆก็จะประสบความสาเร็จได้ไม่ยากอันนี้คือกลุ่มกลุ่มฟุ้งนะกลุ่มหลับแต่ถ้าไม่ฟุง้งไม่หลับสติมีพลังดีหน่อยกลุ่มนี้ไม่ต้องนับบางคนเนี่ยทาไปเคย นั่งที่ไรหลับนั่งที่ไ ล, ล, ไลเผล่เนี่ยก็เลยปล่อยทิ้งอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่ยอมนับโดยเฉพาะนับแล้วรู้สึกว่าเราหลับไม่สะดวกมันเหมือนมีใครมาคอยรบกวนเราอยู่ไอ้กลุ่มนี้จะทำไม่ค่อยได้ผลนี่นี่คือพื้นฐานเบื้องต้นที่จะต้องเอาไปทำเอาไปฝึกให้ติดต่อให้ต่อเนื่องหงทำอย่างนั้น ถามว่าต้องทำขนาดไหนไม่ต้องกลัวว่าขนาดไหนทำไปเลยเนี่ยทำไปเลยและไม่มีอันตรายการฝึกในการเจริญสมาธิอเจริญาน า, นานปนาสติไม่มียิ่งฝึกยิ่งดีเป็นประโยชน์เยอะมากถึงแม้คนที่ไม่ได้สมาธิดีอะไรเลยเนี่ยนะแค่พื้นฐานก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โอ้ยความสงบสุขในปัจจุบันนี่ไม่ต้องห่วงได้เยอะมากไอ้สง์การฝึกในการเจริญสมาธิพระเจ้าพูดไว้ในพระสูตรบอกว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาส ม, มาธิเป็นเช่ไหนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากบาปปุสสธรรมมันชั่วร้ายบรรลุปฐมมชานมีวิตกวิจานมีปีติสุขอันเกิดตวิวิเวกอยู่อันนี้คนที่ได้สมาธิระดับปฐมมชาน บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในมีภาวะจิตเป็นหนึ่งเดียวผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์ระ ง, งับไปมีแต่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่อันนี้ก็เรียกทุติยฌานพอปีติจางไปเมื่อเธอมีอุเบกขาอยู่มีสติสัมปชัญญะ และสวยสุขด้วยกายบรรลุถึงตัติยฌานที่ปริยจเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้มีเบกขามีสติอยู่เป็นสุขนี่ตัติยฌานเพราะละสุขละทุกขและเพราะสมนัโทมนัตดับหายไปจึงบรรลุจตุทะฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี่ปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานเจตุทะฌานที่ เป็นเป้าหมายของผู้ปฏิบัติที่พึงบรรลุถึงตามพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ถ้าจำกัดในคำสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือสมาธิเป็นฉชไหนอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ กำหนดอาภาวะปล่อยวางเป็นอารมณ์แล้วก็ได้สมาธิได้เอกขากตาแห่งจิตก็คือภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวราบเรียบสม่ําเสมอนี่เรียกว่าสมาธิคืออินทรีย์หรืออินทรีย์คือสมาธินี่แหละถ้าตราบใดเราได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวตั้งมั่นแ น, แน่วแน่ไม่สซ่านสายไม่สซ่านสายสงบราบเรียบเป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่อันนั้นแปลว่าได้อินทรีย์ได้ความสงบคือสมาธิอินทรีย์คือสมาธิแล้ว ทีนี้ภาวะที่จิตเนี่ยตั้งมั่นนะความตั้งมั่นแห่งจิตเนี่ยความตั้งมั่นแห่งจิตความแน่วแน่แห่งจิตความมั่นลงแห่งจิตความไม่สายไปความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่ใจนีไม่ซัดสายความสงบไอ้สงบในที่นั้นก็คือสมถะภาวะที่จิตสงบ สมาธินีสมาธิพาละสมาสมาธิสมาธิโพชงที่เป็นองค์แห่งมรกนับเนื่องในมรักอันใดนี้เรียกว่าสัมมาสมาธออิสาระสำคัญอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงไหนสมาธิที่ใช้ถูกทางเนี่ยเพื่อจะได้เป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายเพื่อเป็นปัจจัยต่อการที่จะหลุดพ้นเป็นไปเพื่อปัญญายานที่รู้จริงในะรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ไม่ใช่ฝึกสมาธิเพื่อลิศเพื่อเดชเพื่ออำนาจไม่ใช่อย่างอื่นนะฉะนั้นสมาธิที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่จะฝึกจิต <c> ต <oughs> าไม่มีให้เกิดขึ้นเนี่ยทีนี้ระดับของสมาธิท่านจัดไว้สามระดับหนึ่งก็คือขณิกาสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิขั้นต้นสมาธิขั้นต้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือคนทั่วไปก็เอามาใช้ ในการรักษาศีลในการประกอบชีวิตในประจำวันทั้งหลายในการที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นคณิกสมาธิและใช้เป็นจุดตั้งต้นในการเจริญวิปัสสนาญาณเป็นต้นก็ได้แต่ต้องมีพลังสมาธิที่มีอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิอยู่เบื้องหลังเป็นต้นเหล่านี้นั่นเอาไปจุดตั้งต้นของการเจริญวิปัสสนาปัญญายัางไงก็ว่าไป ส่วนอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่เฉียดอันนี้จวนจะแน่วแน่แล้วก่อนที่เข้าถึงถึงฌานสมาบัตินี่เป็นเบื้องต้นของการเข้าถึงอัปนาสมาธิสมาธิระดับอุปจาระเนี่ยจะเป็นจะสามารถสามารถทานิวรธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีการปชันท้าเป็นต้นสงบประงับเป็นต้นได้ประการสุดท้ายคืออัปสมาสมาธิคือสมาธิที่แน่วแน่แนบสนิทเป็นสมาธิสูงสุด นี่เป็นผลสําเร็จถ้าคนได้ระดับนี้เขาเรียกเป็นผลสําเร็จของการฝึกสมาธิแล้วเขาเรียกอัปนาสมาธิที่นี้สมาธิเบื้องต้นเนี่ยท่านใช้คําว่าคัิการสมาธิก็เรียกมูลสมาธิก็ได้มูลสมาธิก็แปลสมาธิขั้นมูลสมาธิเบื้องต้นเป็นสมาธิต้นเข้าเนี่ยหรือเรียกบริกรรมสมาธิก็ได้อย่างที่เราเริ่มฝึกกันทีแรกเนี่ยเขาเรียกเป็นสมาธิขั้นตระเตรียม ขั้นไหนขั้นล ง, ลงมือทําียสมาธิขั้นลงมือทําขั้นตระเตรียมเป็นสมาธิเข้ามูลหรือเบื้องต้นเบื้องต้นก็ต้องฝึกก่อนใช่ไหมนี่เป็นขั้นตระเตรียมขั้นลงมือทํานี่เป็นคั้นการสมาธิเอาดูตัวอย่างในพุทธพจน์พุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละภิกษุเพราะฉะนั้นแหละอุบาสกและอุบาสิกา เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีในภายในและทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายเป็นบาปอากุศลจักไม่เกาะกลมจิตตั้งอยู่ได้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหลคําว่าเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ศึกสิทธคตินะ่ เธอทั้งหลายพึงฝึกฝนอบรมเพียรพยายามให้ได้สมาธิอย่างนี้แหละให้ได้สมาธิเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนั้นแปลว่าอะไรตอนนี้บาป อ, อกุศลธรรมอันชั่วร้ายมันเกาะกุมจิตเราตั้งอยู่งั้นเบื้องต้นจึงจ ง, จงต้องจึงต้องฝึกถ้าไม่ฝึก เราก็จะเจอว่าเพราะตอนนี้จิตของเราสิ่งที่ไม่ใช่สมาธินะและเป็นศัตรูของสมาธิเนี่ ย, เ ป, ปปยเป็นปฏิปปะด้วยเป็นปฏิปปะด้วยกลุ่มเหล่านั้นก็เรียกกลุ่มนิวรธธรรมเนีก็แปลวาเครื่องกีดกั้นเครื่องขัดขวางก็แปลเอาทางวิชาการที่บอกสิ่งที่กีดกั้นการทำงานของจิตสิ่งที่ขัดขวางความดีงามของจิต สิ่งที่ทอนกํำลังปัญญาหรือแสดงความหมายเป็นวิชาการก็คือว่าสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าขึ้นสู่กุศลธรรมมันกั้นจิตทําให้จิตของเราเนะ้นไม่ก้าวหน้าขึ้นสู่กุศลธรรมขั้นสูงๆเป็นต้นไปให้หลายๆคนจเจริญศีลก็ไม่ได้นะฝึกศีลไม่ได้ไม่จะถูกไอเนี้ยกล่มกิเลสทั้งหลายคอยกั้นคอยสกัดอย่างแรงเลยเช่นจะฆ่าสัตว์เนี่ย เออจะงดเว้นจากการฆ่าเนะี่ยไม่ยอมนะกิเลสบางคนหยาบมากเลยนะเรื่องอะไรเนะี่ยถ้ามันจะฆ่าเรามีหรือที่เราจะไม่ฆ่ามันใช่ไหมอาอถ้ามันฆ่าเราเราก็ฆ่ามันนะถ้ามันรักของเราเราก็รักของมันดิใช่มะนี่กิเลสแรงไหมกลุ่มคนคิดแบบเนี้ยกลุ่มนี้กิเลสหยาบมากอ๋อถ้าเขาประพฤติผิดในการมได้เราก็ต้องทาได้เขาพูดเท็จได้เราก็ต้องพูดเท็จไป อยู่เป็นชาวบ้านมันก็ต้องพูดเท็จบ้าง <c oughs> เคยคิดงินไว้แล้วเรื่องอะไรล่ะแล้ ว, ลวลพูดจริงทั้งหมดเขาก็รู้ความลับเราหมดสินี่ดูไปงั้นนไม่เข้าใจขนาดนั้นนะมนุษย์เราเนี่ยเลยกลายเป็นว่าคนปฏิบัติธรรมคือคนมึนคนโง่ไปเลยใช่ไหมแท้จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นถามว่าคนที่ศึกษาคำสอนปฏิบัติในคาสอนนี่เป็นคนฉลาดหรือคนโง่ คนฉลาดก็ฉลาดกว่าคนทําบาปคนทําบาปก็เรียกคนโง่เขาเรียกคนพานคนโง่คนฟั้นเฟือนคนเลือนหลงคนไม่รู้เรื่องคือคนบาปทั้งหลายเหล่าเนี้ยงั้นคนพานคนบาปทั้งหลายเหลา่าเนี้ลองเราไปเกี่ยวข้องด้วยที่เราก็พลอยร้อนไปหมดแหละวุ่นวายเขาไม่อยู่ความสุขกันหรอกระดมอะไรกันอยู่ได้ใช่ไหมห <c ười> มีความสุขหรอก ฟุ้งซ่านวุ่นวายกันไปทั่วหมดเลยอายุนี้คนบาปเยอะหรือคนบุญเยอะคนทำบุญเยอะหรือคนทำบาปเยอะคนทำบาปก็เริ่มมากขึ้นวันวันหนึ่งเราทั้งลองดิใครไปเปิดสื้อพิมพปุ๊บเนี่ยโอ้โหมีแต่เรื่องเศร้าหมองใจทั้งนั้นแหละไม่มีนะไปเปิดปุ๊บเนี่ยบอกว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมที่โย่พุทธมานั่งเจริญกุศลกั น, กนออกหน้าหนึ่งมีไมมีไหม มีหรอกแต่ถ้าอยากจะออกหน้าหนึ่งลองทําอีกเรื่องหนึ่งสิบอกแม่ผู้ปฏิบัติที่โยกพูดเนี่ยยกพวกตีกันจะลงหน้าหนึ่งไหม่จะลงหน้าหนึ่งเลยนะนี่นะอยากลงหน้าหนึ่งไว้ละวลงหน้าหนึ่งเลยอย่างเงี้ยทําไมเขาเป็นอย่างงั้นจิตใจคนเราอยากจะขายความชั่วถ้าความดีรู้สึกอ่านแล้วไม่ตื่นเต้น บาปไม่โลดแล่นบาปไม่โลดแล่นฉะนั้นจะต้องเอาเรื่องความชั่วนี่แหละเอาการตื่นเต้นเอาตื่นตระหนกนี่แหละเอาเรื่องตกออกต ก, ตกใจนี่แหละมาออกเยอะๆคนคนใจมันบาปไงคนบาปทั้งหลายพอเห็นก็ไปซื้อกันใหญ่เลยทีเนี้ยซื้อมามาอ่านแล้วก็ด่ากันใหญ่เลยทีเนีนน <laughs> เนเ้ยวิภาควิญญาณกันเป็นแถวเป็นแนวอะไรมาปฏิบัติธรรมกันจะมายกพวกตีกันดิโอไปเลยทีเนี้ย <laughs> วันเปลือยเรือนหลงกันเต็มไปหมดแล้วมองออกไหมลองเออเป็นงนี้แหละนิวรเป็นอย่างเงี้เป็นเครื่องกีดกันสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าสู่กุศลธรรมนี่เป็นทำฝ่ายชั่วที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีเลยหรือเป็นอกุศลธรรมที่ทําจิตให้เศร้าหมองทําจิตให้เศร้าหมองไม่พอ ทำปัญญาให้อ่อนกําลังลงด้วยให้สังเกต ด, ดูนะว่าทําไมโนาเนี่ยยานปัญญาของเราท่านทั้งหลายมันถึงไม่เกิดมันถึงไม่มีเพราะคนที่กิเลสเกิดในใจมากๆคนคนนั้นปัญญาจะไม่ค่อยเกิดยังไม่เกิดหรอกจะเกิดแต่ความคิดชั่วๆเพราะเราไปปล่อยความชั่วเกิดในใจเยอะ ๆ, ๆเยอะๆเบสเสร็จเอ็นก็ทอนกําลังปัญญาจิตก็เศร้าหมองอ่อนแอตลอดทั้งวันนะ เพราะอะไรเพราะในกระแสชีวิตของท่านพู น, นั้นไม่เคยให้กุศลเกิดหรือเกิดน้อยที่สุดเพราะเกิดน้อยเหมือนคนออกกำลังกายกับคนไม่ได้ออกกำลังกายยอมว่าสุขภาพของใครจะดีกว่ากันคนออกกำลังกายก็สุขภาพดีแข็งแรงใช่ไหมคนที่ให้กุศลและจิตได้ออกกำลังบ่อยๆปัญญาจะดีไหม คนที่ให้อกุศลจิตให้บาปได้ออกกําลังได้เกิดในกระแสชีวิตใหม่ๆจะยิ่งโง่ยิ่งบาปไหมยิ่งโง่ยิ่งบาปจิตจะหยาบขึ้นหยาบขึ้นกล้าทําชั่วได้มากขึ้นง่ายมากถ้ายอมต้องการอยากจะเป็นคนหยาบอยากจะทําให้บาปคือนั่งอยู่อย่างเงี้ยยอมอยากจะวิบัติไหมอาตมาจะแนะนําให้แต่มาไม่ไ ม, มาจะบอกวิธีให้แต่ว่าอมาไม่ได้ส่งเสริมนะ แต่ถ้าทําอย่างนี้วิบัติแล้วจะวิบัติเร็วด้วยอยากอยากอยากทำไหมล่ะอยากรู้ไหมว่าเขาทากันยังไงถ้าจะทําให้ตัวเองวิบัติเช่นเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็คิดคิดอาอกมาทีละคนเลยนะคิดสาบแช่งเขานะเช่นคิดเห็น ค, ค, คนที่หนึ่งเอาในกรมาปุ๊บก็บอกว่ า, วาขอให้มันจงวิบัติเจ็ดชั่วโคดนี่นะ แล้วก็ด่าในใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องพูดออกมาด้วยนะยอมนะแล้วก็เอาในขอมาต่อไอ้ น, นี้ก็จงอย่าวิบัติเจ็ดชั่วโคตรวิบัติไปอย่าได้มีผุดอย่าได้อย่าได้เจริญรุง่งเรืองไล่ไปไล่ไปเดี๋ยวมันจะต้องไปกระทบคนมีศีลมีกัลยาณธรรมเนะ้แล้วมันจะวิบัติภายในเจดวันเลยนะ7เจ็ดวันแค่นั้นตนเองจะวิบัติเลยนะไม่ใช่เป็นคนที่เราแช่งนะ เอ่ตัวเองจะวิบัติทันทีที่ว่าอย่างี้กรรมนั้นจะให้กระแสชีวิตตัวเองวิบัติแล้วก็ตายไปเกิดเป็นสัตว์นโกด้วยเอาไหมล่อนี่ไงวิถีทางแห่งความวิบัติโดยไม่ต้องไปลงมือทาเลยนะแต่คิดในใจจะสาเร็จแล้วตนเองจะวิบัติจริงๆด้วยถามว่าคนไม่รู้กรรมแบบนี้มีเยอะไหยน่ากลัวไหม และต้องการอยากจะให้เจริญไหมล่ะก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่ฝึกตรงกันข้ามเอานายกร์ออกมาก็บอกขอให้ท่านวันนี้จงเจริญลุง่งเรืองนะให้มีอายุยืนยืนให้มีทรัพย์เยอะๆให้มีความสุขในครอบครัวนะให้สมหวังอย่าได้ผิดหวังให้กระแสะชีวิตเจริญงอกงาม แล้วก็นายขอมาก็บอกท่านพวกนี้ก็จงเจริญงอกงามมีทรัพย์เยอะๆมีความสุขเยอะๆมีชีวิตยืนยาวอยู่กับบุตรหลานญาติมิตรนะคิดคิดคิดคิดเงี้ไปเสร็เนี่ยคิดไปอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆความเจริญมันจะเกิดกับผู้คิดเพราะกรรมมันสำเร็จแล้วเห็นไหมไม่ต้องเหนื่อยเลยแต่มันได้บุญอย่างมหาศาลถ้าคิดเป็นน่ แต่มนุษย์กลับไม่มีวิธีการที่จะคิดให้กุศลเกิดใช่ไหมลองคิดดูทีว่าแล้ว เ, เราคิดให้กระสงที่มีศีลมีกัญยาณธรรมเออขอให้พระสงฆ์ขอให้คณะสงฆ์จงมีความสุขความเจริญมีอายุยืนตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในกัญยาณธรรมเจริญในศีลสมาธิปัญญาบรรลุมรรคผล นผ่านในปัจจุบันพบโดยเร็วโดยสะดวกนะคิดไปแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์ถามว่ายิ่งใหญ่มั้ยิ่งใหญ่แต่คนไม่คิดไม่เป็นกันเนี่ยมาอบรมคอดเนี่ยได้กาไรไหมโอ้โหจเจริญกุศลง่ายสุดง่ายสุดๆทำบาปยากที่สุดลองสังเกตดูนะหนึ่งสัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิตสมมีจิตคิดจะฆ่าสี่ความทำความเพียรเพื่อฆ่าห้าสัตว์ตายลงเพราะความเพียร น, นี่นถึงเป็นบรรดิบาตินะโอ้โหต้องครบองค์แต่เวลาจเจริญกุศลไม่ต้องอาศัยองค์อะไรเลยฝึกใจอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยฝึกใจปรารถนาดีอย่างเงี้ยแค่นี้กุศลเกิดปุ๊ดๆุุุดดดุดีไหมล่ะ โอ้โเจริญกุศลย่งง่ายมากใครว่าจเจริญกุศลยากเนะน่ยคนคนนั้นรู้หรือไม่รู้เขาไม่รู้เขาฉลาดหรือไม่ฉลาดถ้าไม่ฉลาดคนฉลาดจเจริญกุศลง่ายไหมง่ายมองอะไรกุศลเกิดเต็มไปหมดเลยนี่เป็นอย่างงี้เริ่มได้เรื่องได้เล่าอย่างเดี๋ยนี้เอาสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสมาธิเนี่ย ทำให้เจตมันเศร้าหมองทําปัญญาอ่อนกําล uh ังลงเรื่อยอ่อนอ่อน่อนใครให้บาปเกิดมากๆปัญญาจะค่อยๆอ่อนลงนะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆน่ะเขาก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนแล้วก็ปัญญาดับเราเคยเห็นคนปัญญาอ่อนไหมเคยเห็นไหมคนที่ปัญญาอ่อนแล้วปัญญาดับนี่นะเพราะเขาทําให้บาปเกิดในใจเขาเยอะ พอบาปเกิดในใจมากขึ้นมากขึ้นเขาก็ทําบาปมากขึ้นทําบาปมากขึ้นทำนัเข้านัเข้าเขาจะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนเหมือนคนกินเหล้านายโยมเขาให้บาปเกิดทุกวันเลยนะบาปเกิดทุกวันทุกวันกินทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนัเข้าปัญญาที่เคยมากจะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงนักเขาก็กลายเป็นคนเออไอคนที่เสพยาเสพติดก็ทอนทอนกําลังไปทอนทอนทอนทอนทอนจากปัญญามากๆจะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลง แล้วก็จะเป็นปัญญาดับแล้วก็จะกลายเป็นคนเออเป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราวเดินตามถนนต้นทา ง, ทางยอมเห็นเยอะไหมเนี่ยใครทำให้เขาเขาประทุษล้ายตนเองเขาเบียดเบียนตนเองตลอดเลยนะเราอยากเป็นคนปัญญาอ่อนได้ไหมวิธีจะบอกไว้ให้เครียดเยอะๆนะยอมนะกุ้มเครียดคิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะ คิดนี่มันโกรธใครมากมาก็คิดคิดจุกจิกคิดอดีตคิดอนาคตคิดไปทั่วมุ่มั่วไปหมดเนี่ยนะคิดคิดคิดไปเดี๋ยวยอมก็กลายเป็นคนเอ๋อเหมือนกันงั้นง่ายไหมวิธีจะทําให้ปัญญาน้อยก็ได้ทําให้ปัญญามากก็ได้เอาเลยทําได้จะทําจิตให้เป็นสมาธิก็ได้จะทําให้เป็นคนฟุ้งซ่านก็ได้ยอมอยากเป็นคนฟุ้งซ่านหรือเป็นคนมีสมาธิก็อยู่ที่ทําไม่เป็น มาแบบประเภทที่ยอมลองประเภทคิดนู้นคิดนี่อยู่ไม่สุขอะลองคิดไปเรื่อยก็แก๊กก็แก๊กซ้ายขวาซ้ายขวาไม่อยู่สุขเลยเนี่ยยอมจะกลายเป็นคนฟุ้งซ่านทันทีก็เ ค, คนฟุ้งซ่านอยู่ไม่เป็นที่ไปนั่งเฉยไม่ได้แล้วก็แก๊กก็แก๊กมันมันอยู่นิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้นั่นเป็นเครื่องปิดกั้นกุศลธรรมด้วยเป็นการห้ามความเจริญงอกงาม แล้วมันเป็นภาวะมันพอเกิดขึ้นมานี่นะบาปประเภทนี้มันจะกดทับจิตไว้ทําปัญญาค่อยๆ อ, อ่อนกำลังลงอ่อนกาลังลงเป็นอุปกิเลสเป็นความเศร้าหมองอย่งจิตด้วยทำจิตให้เศร้าหมองทาปัญญาอ่อนกำลังไอ้ทำหประการนี่พุะริจ่าบอกว่าทำให้มืดบอดทำให้ไร้จักสุไร้จักสุในที่นั้นก็คือทำปัญญายานเนี่ยให้ดับลงไป ไม่ทำยานะไม่สร้างความรู้ทําให้ปัญญาดับส่งเสริมความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หประการเหล่านี้อย่าสับสนนะอันนี้ไม่ใช่สมถะอันนี้ไม่ใช่สมาธิประการแรกเขาเรียกกามาฉันทะความอยากได้อยากเอายอมเคยเป็นไหม ก็แปลตามสาวว่าความพอใจในกามหรืออภิชาความเพ่งเล็งอยากได้หมายถึงอะไรอยากได้กามาคุณทั้งห้าอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้โพธพที่หน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นกิเลสพวกโลภจิตที่ถูกล่อด้วยอารมณ์ต่างๆนะคิดอยากได้โนนได้นี่ติดใจโนนติดใจเนียมันเผว่ออกไปหาอารมณ์อื่น คุณคล่องอยู่ไม่ตั้งมั่นมันเดินไม่เรียบจึงไม่อาจจะเป็นสมาธิได้ฉะนั้นความติดใจไยกระสันทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสมาธิไหมไม่เป็นจิตไม่สามารถเดินเรียบได้คนที่เป็นคนติดใจอะไรง่ายๆเนี่ยติดสีง่ายๆเสียงง่ายๆกลิ่นง่ายๆรสง่ายๆโผฏพักง่ายๆเนี่ยก็คือความ ที่หน้าปรารถนาน่าไข่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ไข่พาใจให้กำหนัดมันจะมันจะกำหนัดวิ่งหาอารมณ์เหล่านี้ตลอดเวลาเลยจิตเดินไม่ราบเรียดไม่อาจจะเป็นสมาธิได้ประการต่อมาคือความพยาบาทยอมมีไหมยอมมีพยาบามตัวนี้ไหมพยาบาทนี่ก็แปลว่าความขัดเคืองความแค้นใจความขัดเคืองความแค้นใจ ความเกลียดชังทุกวันนี้คนเกลียดชังกันเยอะไหมเยอะไม่เยอะเอตา น, นี้เป็นพยาบาทเกลียดชังกันความผูกใจเจ็บการมองในแง่ร้ายการคิดร้ายการมองบุคคลอื่นเป็นศัตรูมองเป็นคนละพวกอย่างเงี้ย ลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าความโกรธความหงุดหงิดฉุนเฉียวความรู้สึกขัดใจความรู้สึกไม่พอใจจิตที่มัวกระทบกระทั่งนุน่นสะดุดนั่นสะดุดนี้เนี่ยก็เดินไม่เรียบไม่ไหลเนื่องไม่ไหลอ ย, อย่างต่อเนื่องย่อมไม่อาจจะเป็นสมาธิได้ใช่ไหมเยอะไม่เยอ ะ, ยอะกลุ่มตระกูลเนี้ยตระกูลพยาบาทเยอะไหมในเรามีไหมขัดใจเคืองแค้นหงุดหงิด เป็นไมเป็นกระทบนั้นกระทบนี้อยู่นั่นแหละไม่ไม่เรียบเดินไม่เรียบไม่เดินเรียบแนวดิ่งไม่ไ ม, ไม่ไม่ตั้งมัน่นไม่อาจจะเป็นสมาธิได้นี่พยาบาทมีไหมสองตัวที่ผ่านมาแล้วการประชันทะมีไหมติดใจไปกระสันพยาบาทมีไหมโอ้นี่อุปสรรคของการจเจริญสมาธิหมดเลยนะที่พูดมาเนี่ยอา้าวทีนั้นมิท้า ความหดหูเสื่องซึมเป็นไหมหดหูด้วยเสื่องซึมด้วยเซ็งอะเซ็งและซึมอะเป็นไม่เป็นเซ็งและซึมความหดหูห่อเหี่ยวถดถอยและยอ่อท้อแท้ซบขาเงานงหงายระเหียอันนี้เป็นอาการของจิตอีกอย่างหนึ่งก็คื อ, ชอเชยเฉาง่วงเหงาเหาะนอนงอกง่วงอึดอาดมึนมัวมืดตื้ อาการซึมๆเนี่ยนะที่เป็นไปทางกายจิตที่ถูกอาการเนี่ยทางกายและทางใจอย่างนี้ครอบงำไม่แข็งแรงไม่ตั้งมันไม่อาจจะเป็นสมาธิได้บ่อยไหมอาการแบบนี้บ่อยไหมต้องแก้ไขนี่ต้องแก้ไขต้องปลุกรเราตัวเองขึ้นมาไมนะ่อยาให้อาการนี้เกิด อ, อีกอย่างหนึ่งก็คืออุทธจกักจกุกุจกฟุ้งซ่านลาคาญใจเดือดร้อนใจ ถ้าอุทจจานี่ก็แปลว่าฟุ้งซ่านไม่สงบเลยทนนี้สายผ้าตลอดเวลาเลยเนี่ยกุกุจจะก็วุ่นวายใจรำคาญใจระแวงพวกนี้เดือดร้อนใจยุ่งใจนะกุ้มใจด้วยกังวลใจด้วยจิตที่ถูกอุทจจะกุกุจจะครอบงำก็พลานเฟ้เงไปไม่สงบไม่อาจจะเป็นสมาธิได้มีไหมอาวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยความเครือบแคลงใจสงสัยเกี่ยวกับพระรัตนตรัยเนี่ยแคลงใจว่าเออตัวกุศลเนี่ยการฝึกสมาธิเนี่ยมันจะทําให้จิตเป็นสมาธิจริงหรือมันจะได้ผลหรือเนี่ยไม่น่าจะได้ผลหรืออาจจะได้ผลมันไปนระแวงอยู่เนี่ยมันเกิดสงสัยอยู่เนี่ยเลยไม่ทําเลยสงสัยจนไม่ทำมารักษาศีลสงสัยมาเจริญสมาธิก็สงสัยมาฟังเนี่ยทาไมต้องฟังขนาดเนี้ สงสัยไปเรื่อยๆ อ, อ, อันนี้เขาเรียกว่าวิจิกิจฉาทั้งห้าอย่างนี่นะเป็นเป็นสนิมเป็นเครื่องกดทับจิตทำปัญญาให้ดับด้วยทอนกำลังปัญญาด้วยเป็นเครื่องจีดขวางด้วยเป็นอุปกรณ์ของจิตด้วยทำปัญญาให้อ่อนกำลังด้วยนั้นถ้าหากมีมากๆจะยิ่งเป็นอันตรายต่อจิตมาก คนที่มีกิเลสเหล่านี้เข้ามากุ้มรุมมากๆกุ้มรุมมากๆนะเข้านะเข้าจะกลายเป็นคนที่แย่หมดเลยนะกลายเป็นคนแย่จิตใจนี่แล้วแต่ตัวไหนโจมตีนะกลุ่มกลามาฉันท่าความติดใจใฝ่ายกสันโจมตีก็จะกลายเป็นคนติดใจหลงไหลอะไรง่ายกลุ่มพยาบาทเข้ามาโจมตีมากๆากก็จะกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายกระทบนั้นกระทบนี้ง่ายมองคนอื่นในแง่ร้ายเห็นเป็นศัตรูเห็นคนกระเพราพวกง่ายมากเนี่ย จะแย่หมดคนที่ถูกถีน้ำมิถะครอบงำหรือโจมตีทั้งหลายเป็นคนหงอยเหงาเศร้าซึมเสื่องซึมนี่นะมืนมนมัวมั ว, มวงวงวงงงงตลอดเวลาจเจรเินกุศลไม่ได้คนที่กึก อ, อุทจักกุกจกับฟุ้งซ่านจิตกับพุกผ่านฟุงงซ่านไปทั่วจับไม่ได้เป็นสมาธิไม่ได้คนที่ถูกวิจิกิจฉาตีรบกวนก็จะกลายเป็นคนลังเลสงสัยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยชีวิตไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาเลย ฉะนั้นตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุเธอพึงศึกษาว่าจิตของเราจากเป็นจิตที่ตั้งมัน่นเอาละเราจะต้องขจัดอุปกเกเรศแห่งจิตไอ้กิเลสเหล่านี้ที่มันทอนกําลังปัญญาให้ดับทําให้จิตเรามัวหมองเศร้าหมองเนี่ยนั้นต้องตั้งใจบอกว่าเมื่อเราจากักเราจักก็แปลว่าเราจักต้องเจริญจักทําให้มากจะทําให้จิตนั้นตั้งมัน่นดํารงแน่วแน่เป็นอย่างดีในภายใน ทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายเช่นกามาชันทะในชั่วร้ายพยาบาทชั่วร้ายความหดหู่ท้อถอยชั่วร้ายความฟุ้งซ่านลำคาญใจชั่วร้ายความลังเลสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลา ย, ททลายเป็นต้นก็เป็นความชั่วร้ายบอกว่าทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลจักได้ไม่กาะคุมจิตตั้งอยู่ได้ฉะนั้นเราจะฝึกฝนพระเจ้าบอกเธอจงฝึกฝนเธอจงเพียรพยายามในการจะฝึกจิตของตนเองให้มีพลังของสมาธิให้มีความตั้งมั่น เพื่อจะได้ขจัดบาปอคติและธรรมบันชัวร้ายซึ่งเป็นสนิมเป็นอุปกเกเรตของจิตที่ทอนกําลังปัญญาให้ดับลงทําให้ไร้จักสุทําให้มืดบอดเนี่ยให้หลุดไปจากใจให้ได้นี่ไปต้องสมาทานไหมต้องสมาทานต้องตั้งมั่นต้องเพียรพยายามในการที่จะฝึกฝนอบรมในการที่พัฒนาตนเองให้ได้แล้วถ้าทําได้ประสบความสําเร็จไหมจะได้ประสบความสําเร็จแล้วไม่ยากอย่างนี้เป็นต้น อันนี้เขาเรียกขั้นของอุปจาระขั้นของขันิการสมาธินี่ขั้นของมูลสมาธิขั้นของบริกรรมสมาธิสมาธิขั้นเตรียมขั้นตระเตรียมขั้นลงมือทําังั้นทุกครั้งเราจะต้องตระเตรียมลงมือทําแล้วก็จต้องฝึกตนเองต้องฝึกจริงไหมต้องฝึกจริงๆนะถ้าฝึกเล่นๆเราจะได้เลยเราได้เล่นๆไงดังนั้นเราต้องฝึกให้อย่างแท้จริงทีนี้ เมื่อฝึกขั้นของคณนิกาสมาธิบริกรรมสมาธิมูลสมาธิขั้นตระเตรียมได้แล้วนะก็ไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นพระเจ้าบอกเมือ่อใดแลจิตของเธอเป็นจิตที่ตั้งมัน่นดารงแน่วเป็นอย่างดีในภายในเมือ่อใดแลจิตของเธอดํารงแน่วเป็นอย่างดีในภายในคือดํารงแน่วในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแล้วเห็นไหมเบื้องต้น ถ้าจิตยังไม่สามารถตั้งมั่นที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้ทําให้ฝึกฝนให้เพียรพยายามในการที่ขจัดบาปกับสะรธรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายที่ทําให้จิตสั่ใส่ซึมเซางูโมเมาลุ่มหลวงเป็นต้นแล้วให้ตั้งมั่นในธรรมภายในคือที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้พอตั้งมั่นาสามารถขจัดธรรมมันชั่วร้ายในภายในได้ระดับหนึ่งแล้วตั้งมั่นดีระดับหนึ่งแล้วไม่พึงหยุดอยู่แค่นั้น พระเจ้าบอกเมื่อใดาแอจิตของเธอเป็นจิตที่ตั้งมั่นดํารงแนวเป็นอย่างดีในภายในทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นบาปอกุศลไม่ก่อคุมจิตเธอตั้งอยู่ได้เมื่อนั้นเธอพึงศึกษาว่าเราจะเจริญเราจะทําให้มากซึ่งอานาปนาสติเป็นต้นนะเราจะเจริญจะทําให้มากซึ่งเมตตาเจโตมุติก็แล้วแต่กรรมฐานอะไรเราจะเจริญเลยนะถ้าเจริญอานาปนาเราจะเจริญจะทําให้มากซึ่งอานาปนาสติ หรือเราจยากเจริญจยากทําให้มากซึ่งเมตตาเราอยากเจริญจยากทําให้มากซึ่งกรุณาก็ว่าไปแต่ตอนนี้เราจยกเจริญจยากทําให้มากซึ่งอาณาปานสติคือการมีสติในการที่ระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเราจะทําให้เจริญจยากทําให้มากทําให้เป็นดุจยานนะเป็นยานะทําให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมจัดเจนทําให้สําเร็จเป็นอย่างดี บอกภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้ให้ฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้ทําให้เป็นดุจยานนะเป็นยานผ่านนะที่จะนําพากระแสชีวิตของเรานะ่ยรอดพ้นจากภัยในสังสารวัฏดะนั้นถ้ารู้แล้วจิตเริ่มตั้งมั่นแน่วแน่แล้วก็ปึกฝนเพียรพยายามต่อไปอย่าหยุดยยอย่าย่อนเพราะอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มตน้นสตาร์ทเริ่มตน้น ฉกนั้นเราจะต้องเพียรพยายามต่อไปอย่างมุ่งมั่นอย่างจิตจดจอ่ออย่างแน่วแนว่ไม่หยุดเพียงแค่นั้นนี่พระ เ, เจ้าให้กำลังใจไหมให้กำลังใจให้เราไม่ฟั่นเปือนไม่เหลือนหลงให้ตั้งมั่นในการที่จะทำอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่ออย่างสม่าเสมอทำไปจนถึงไหนจนจิตตั้งมั่นจนเป็นอุปยาละสมาธิ จนเชียดและจนถึงอัปนาสมาธิเป็นวัถมชฌานทุติยฌานเป็นต้นนู่นเลยนะทำให้ทะลุทะลวงไปเลยนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อ้าวใครมีปัญหาอะไรไหมมีประโยชน์มีประเด็นที่ต้องถามปัญหาไม่มีเนาะมีไหมมีไหม ม, มีใครอยากถามปัญหาไหมเ ด, เดี๋ยวก่อนอ้าวใครอยากถามถามเล ย, เลย มีไม่ถามเลยอ่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมจะถามว่าหรือหรื อ, รอท่านจะสอนไปถึงก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าวันนั้นได้ฟังท่านพูดบอกว่าจะสอนพุทธา น, นุสติอะไรเนี้ยค่ะ <laughs> คือค่ะ <laughs> เพราะว่าโยมโยมรู้สึกว่าโยมจะ จะถนัดไปทางนั้นค่ะรู้สึกอยากให้ท่านช่วยแนะนำให้ <C oughs> ให้ละเอียดอะไรเงี้ยค่ะจะได้โยมจะได้เอาไปปฏิบัติได้จากเท่านี้แหละค่ะเจค่ะอ๋อจะบอกอ๋อมาติดติดไว้จริงๆก็คือเรื่องพุทธคุณกรรมฐานมีอยู่สองอย่างนะ เป็นสภัทกะกรรมฐานกับปริหาริกะกรรมฐานถ้าใช้ศัพท์พอใช้สองอย่างคาว่าสัทกะกรรมฐานก็แปลว่ากรรมฐานที่จำปราธนาในกิจทั้งหมดในกิจทั้งปวงเป็นกรรมฐานรองเป็นกรรมฐานรองส่วนปริหาริกะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ต้องบริหารอย่างติดต่อยางต่อเนื่องนี่เป็นกรรมฐานหลัก ในชั้นคาสอนท่านวางกรรมฐานที่เป็นสภาวะกรกรมฐานไว้ก็คือมเมตตากรรมฐานมรณ า, านุสติมเมตตากรรมฐานก็คือการเจริญมเมตตามรณ า, านุสติก็คือการระลึกถึงความตายนะมรณ า, นานติามาเคยบรรยายไว้ ค่อนข้างกว้างขวาง่ะนะเช้เวบญญาบรรยายประมาณสองวันมีอยู่เดี๋ยว เ, เดี๋ยวยังให้ให้ใครเอามาไว้ที่ยูพุทธเอาไว้ทางนี้ให้ก็แจกกันก็ได้แล้วก็อาสุภะกรรมฐานคือการพิจารณาความเห็นความไม่งามทั้งภายในตนและนอกคือซากศพเป็นตน้น และอีกอย่างหนึ่งก็คือพุทธานุสตินี่เป็นกลุ่มสภัทกะที่ทรงกล่าวไว้ถามบอกว่ากรรมฐานเหล่านี้ที่บอกเป็นกรรมฐานที่จำปาถนาในกิจทั้งปวงเห็นไหมว่าออกลุ่มออดูพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยทำไมเป็นกรรมฐานที่ควรทำตลอดเพราะว่าพุทธบริษัทเนี่ยถ้าไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วกรรมฐานทั้งหลายที่ทําจะไม่เจริญ เห็นไมคือ hmm. ม yeah. well, so so, ันหลักอย่างนี้ยามใดที่นะจิตใจเราเกิดกำหนัดกินดีเพิดอเพลินในวาระนั้นท่านให้เจริญอสุภกรรมฐานเพื่อจะได้กำจัดราคาความกำหนัดในใจขั่นตนเองในให้เกลี้ยงไป ฉะนั้นถึงต้องเจริญผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหม่หารเก่ามันสมองเป็นต้นเห็นความไม่งานของสุรีระตัเองเนี่ยแล้วก็ไปเจริญสรากอสุภะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นคือความไม่งามทั้งหลายเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจะได้เข้าใจอย่างทงแทว้ว่าแม้กายของเราและกายที่นอนอยู่นั้นก็อันเดียวกันนั่นเลยไม่ต่างกันเลยมันเียงกายที่มีวิญ ญ, ญาณกับไม่มีวิ ญ, ญญาณเท่านั้นเอง กายของศพทั้งหลายเหล่านี้เป็นกายที่ไม่มีวิญญาณไม่มีจิตแต่กายของเราทั้งหลายในี่ยรู ป, ปรกายของสัตว์ของเราทั้งหลายเนี่ยมันมีจิตอยู่บังคับสามารถยืนเดินนั่งนอนได้แต่ทั้งศพและกลายนี้ความสกรปรกไม่ต่างกันเลยความน่าเกลียดไม่ต่างกันเลยเราต้องชำระทุกวันวันละหลายรอบต้องชาระตาชาระหูชาระจมูกชาระปาก ชำะระสลีละทั้งหมดที่มีรูคุมขนมีเหงื่อไค่ของสกปรกไหลออกเนืองนิดแล้วก็ทวานหนักทวานเบาเนี่ยเป็นที่ไหลออกของอุจจาระและปัสสาวะเออจริงๆแล้วข้างในไม่มีอะไรดีเลยนะตนับเงียปอดเนี่ยบไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มไปหมดดีเสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้าําตาเปรียวมันเต็มไปหมดในนี่นะมันไม่มีสะอาดอะไรเลยเหมือนถุงหนังหอ่ออุจจาระเหมือนถังเหมือนถังส้วมเหมยะ เนี่ยที่มนันนั่งกันมันเหมือนถังส้วมมาตั้งกันไว้คนละถังละถังก็เดยเมันปิดแน่นหน่อยแค่นั้นเองอ่ะอย่าเปิดนะเนี่ยถ้าเปิดออกมาแล้วโหวอยู่กันไม่ได้ใช่ไหมลองให้ข้างในมันทะลักออกมากันทุกคนดิถามว่าจะอยู่กันได้ไหมเอาทะลักอุจฉะปัสสาวะทะลักออกมาคนละกองละกองแล้วกันคิดว่าทุกคนจะต้องรีบวิ่งออกกันจากตรงนี้ไหมออกไม่ออกใครจะออกก่อน <laughs> เอาสิลองให้มันให้ให้ซ้วมมันทะลักออกมาสิใช่ไหมอัตลักษ์ออกมาทั้งอุจจาระปัสสาวะทั้งสเสเลดน้ำลายทั้งน้ำเลือดน้ำหนองมันไหลกันออกมาจริงๆด้วยทุกคนบอกเออคือถังอุจจาระจริงๆใช่ไหมยอมรับความจริงไหมแต่เชื่อไหมคนไม่ฉลาดเพลิดเพลินนัก เพลิดเพินนะบางคนลงทุนไปซื้อถังนี้เป็นแสนก็ก็ซื้อเนะยที่เขายอมแต่งงานน่ยนะเขาไม่รู้นะว่าถังนี้มันไม่สะอาดใช่ไม่ใช่ <c oughs> แล้วกาไปบอกอดีตไปบอกสามีไหมบอกคุณซื้อทําไมเนี่ยคุณซื้อมาทําไมเนี่ยของไม่งามเนี่คุณซื้อมาทมํางนั้นคุณไปขอมาทําไมเนี่ย <c oughs> ก้าบอกเขาไหมา ไม่กล้าพูดความจริงเออเนี่ยจริงๆเนี่ยนี่พูดพอพูดความจริงอย่างนี้หลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่งามจริงๆริงใช่ไหมคือมันไม่งามมานานแล้วและมันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่ตลอดเวลาใครจะเห็นว่างามเห็นว่าดีเห็นว่าเลือดยังไงก็เห็นไปแต่โดยความเป็นจริงเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้จริงๆรนี้แหละสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ควรรังเกียจกันจึงไม่ควรไป อาฆาตมาดร้ายกันเพราะไม่ต่างกันเลยคือไม่งามเหมือนกันหมดเออพอบอกไม่งามเหมือนกันหมดค่อยๆโล่งไหมมันค่อยๆโล่งว่าเออนึกว่าเป็นแต่เราใช่ไหมล่ะถ้ามันทุกคนเหมือนกันจะแล้วเนี่ยรู้สึกมีพวกไหมรู้สึกมีพวกรู้สึกอบอุ่นขึ้นมานิดๆอันนี้ก็เนี่ยสำหรับคนที่มีตัณหาในกายตัณหาในสรีระเยอะ ก็ให้รู้ความจริงข้อนี้แล้วความยินดีความเพลิดเพลินจะหมดไปไหมหมดไม่หมดนั่นแหละฝึกจนญาณปัญญาเข้าไปเห็นไม่ใช่เห็นแค่ความจำนี่กลุ่มนี้หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเกิดมัวเมาเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคเมาในความเป็นหนุ่มสาวเมาในความรู้เมาในทรัพย์สมบัติเมาในเกียรติยศชื่อเสียงเมาทั้งนั้นแหละ ไอ้ความเมาตัวนั้นน่ยมะทะฮะเมาตัวนั้น ม, ะะมนนันชื่อของโมหะความมัวเมาลุ่มหลงมึนไม่แยกแยะไม่มียานปัญญาเขาไปอย่างเห็นกลุ่มนี้ต้องเจริญมรณานุสติกลุ่มนี้ต้องเจริญมรณ า, านุส ต, ต, านานสติให้คิดถึงความตายใช่ไหมให้คิดถึงความตายความตายเนี่ยคิดถามว่าจริงๆนะความตายมัน ง่ายไหมเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยตายง่ายไหมเนี่ยเหตุปัจจัยที่จะทําให้ตายนี่เยอะไหมเยอะมากๆอยาบทไม่เหมาะสมก็ตายนะนั่งนานตายยืนนานก็ตายเดินนานก็ตายนอนนานก็ตายเนี่ยให้นั่งกันอยู่อย่างนี้แล้วไม่ลุกเดี๋ยวก็ตายนะเนี่ยมนุษย์เนี่ยยาบทอย่างนี้ตายหมดแหละถ้าไม่สับเปลี่ยนสลับต่งหลายมันจะตายนั่นเองอยู่ไม่ได้หรอกร้อนเกินไปตายไหย หนาวเกินไปก็ตายอีกหิวตายไหมกระหายก็ตายนะไม่ได้กินน้ําก็ตายมนุษย์เนี่ยไม่ถ่ายตายไหมเนี่ยไม่ปัสสาวะออกตายไหมถ่ายมากตายไหมปัสสาวะไม่หยุดตายอีกนี่หนไหมมีโรคประจาตัวอยู่แล้วหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะมีอยู่ยุคหนึ่งนะมนุษย์เขาอายุหกหมื่นปีจําไว้นะยุคหกหมื่นปีนะ ยุคอารกาศาสดาเนี่ยหก0มืนปีพุทธเจ้ายกอดีตมาแล้วก็สอนลูกศิษย์เขาบอกว่าพราม์ชีวิตของมนุษย์นี่น้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับข้องมากควรเจริญกุศลควรคองชีวิตอันประเสริฐคือควรมาพุทธพรมจันท ร, ร์อย่างพวกเราเนี่ยเพราะสัตว์ที่แล้วสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีน้าค้างที่หยดบนยอดหญ้าพอดวงอาทิตย์ขึ้นมา แป๊บเดียวเนี่ยน้ำค้างนั้นก็แห้งหายไปวิบัติไปอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายห0 0 0ื 60, 000, ปีเนี่ยนิดหน่อยรวดเร็วมีความคับคลองมากมีความความเป็นอยู่ด้วยปัญญาควรดำเนินชีวิตด้วยปัญญาควรรู้ควรเข้าใจกระแสชีวิตแ ท, แ, ทแท้จริงควรเจริญกุศลควรคลองชีวิตอันประเสริฐ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจกไม่ตายไม่มีนี่เขายุหกห0 0 0นปีเขาสอนกันอย่างนี้เลยนะเขาสอนอย่างนี้เลยโยมไม้ที่ขีดลงในน้ําเนี่ยปั๊บเดียวเ น, นเข้ามันหาเร็วไหมแล้วยอมเอาไม้ไปขีดในน้ําเนี่ยมันกลับเข้าหากันอย่างรวดเร็วไหมไม่ตั้งอยูน่นานไหมแม้ฉันใดชีวิตทของสัตว์ทั้งหลายก็อย่างนี้นี่แหละนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับคล่องมาก ควรเจริญกุศลควรเป็นอยู่ด้วยปัญญาคนประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจกไม่ตายไม่มีเขามีโรคแค่หกโรคเองอะโรคหนาวโรคร้อนโรคหิวโรคกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเขาสอนกันแบบนี้เลยคนยุคคนอายุหกหมื่นปีแล้วพวกเราเนี่ยยุคกี่ปีพวกเรายุคกี่ปีทุกวันที่ผู้หญิงถัวเฉลียเจ็ดสิปีเองน่ะ ทางวิทยาศาสตร์ก็คำนวณมาผู้ชาย66ปีตายแล้วเนี่ยอามาเนี่ยเหลือไม่กี่ปีจะตายแล้วนเนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วใครเกิน66ปีนี่สุดยอดมนุษย์แล้วตอนนี้แต่เราไม่เคยบอกกันเลยว่านิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับคล่องมากรีบเร่งในการเจริญกุศลควรเป็นอยู่ได้ปัญญาอย่ามึนอย่าหลงอย่างโง่ว่าไงเถอะ เาาสตร์ที่เกิดมาแล้วจกไม่ตายไม่มีก็นี่คนอายุหกหมื่นปีเขาสอนกันอย่างนี้เลยเขาสอนกันอย่างนี้ในยุคนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยอายุไม่เกินเจดสบห้าปีไม่เคยนี่คือควกเมาในชีวิตให้เจริญวาระัติลมหายใจเข้าและหายใจออกแปบ๊บเดียวจะตายถ้ามันหยุดถ้ามันหยุด อวัยวะทุกส่วนนะผมกล้ามเล็บันหนังเนื้อเอ็นจมูกเยื่อในกระดูกไตถ้าไตหยุดทําหน้าที่ตับหยุดทําหน้าที่ปอดหยุดทําหน้าที่หัวใจหยุดทําหน้าที่ไส้ใหญ่ไส้น้อยหยุดทําหน้าที่สมองหยุดทําหน้าที่ถาว่าสมองหยุดทําหน้าที่สามวิสี่วิหรือสักหนึ่งนาทีตายแล้วมนุษย์เนียใช่ไหมเนี่ยถ้ามันหยุดทําหน้าที่ก็คือตายอ่ะ แล้วมันมันเคยบอกเราไหมว่ามันจะหยุดทําหน้าที่มันเคยบอกไหมมันไม่เคยบอกเลยเนี่ยจากหัวใจที่เต้นปึ๊กปึ๊ก๊กก๊อยู่เนี่ยมันจะหยุดปึ๊กเมื่อไรก็ได้เอาทีปอดจะหยุดทําหน้าที่เมื่อไหรก็ได้ตับจะหยุดทําหน้าที่ก็ ไ, ได้เมื่อไหรก็ได้เนี่ยคนก็ฟอกตายกันเป็นแถวเป็นแถวเพราะว่าไตมันหยุดทําหน้าที่ก็อยากไม่อยากตายทำไงล่ะไม่อยากตายเนี่ยเจริญมรณสติสําหรับคนเมาเราเป็นคนเมาไหย เมาก็ให้จเจริญวรณาณสติอย่างนี้แหละเอาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยามใดคนที่เป็นคนโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายเกลียดกลัวง่ายให้จเจริญอะไรจะเจริญเมตตาอ๋อเพราะเราเป็นคนที่มีจิตใจกระด้างจิตใจกระทบนั้นกระทบนี้นั่นเองก็ให้จเจริญเมตตาเจริญเมต า, ม, ตามีความรากักความปรารถนาดีความเมื่อทอนเนาะ กสัตว์ทั้งหลายมีเมตตากายกรรมยังไงมเมตตาวจีกรร ม, มเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังฝึกในการที่จะอยู่ร่วมกับคนในการปฏิบัติกับบุคคลอื่นทั้งหลายเป็นไปกับศีลเป็นไปกับเมตตายังไงอู้อย่างเงี้ยนี่คือให้เจริญเป็นชีวิตประจาําวันเป็นเนื้อเป็นตัวส่วนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนไม่มีศรัทธานะียามใดจิตไม่ศรัทธาถดถอยไม่อยากทําความดี ให้เจริญพุทธคุณ น, นการเจริญพุทธานุสติเนี่ยเจริญยังไงเรียกว่าพุทธานุสติบทเวลาเราสวดกันเนี่ยเราบอกว่าอีติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุคโตโลกวิทูใช่ั้ยอันนี้คือคือบทสวดกันแต่ว่าจริงๆท่านขับเน้นความหมายเออในสมัย ก่อนในสมัยครั้งพการเวลาเขาจเจริญพุทธคุณกันเนี่ยเาจ ะ, ละลาาารละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณระลึกถึงพระปัญญาคุณระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณสามคุณประการเนี่ยเป็นหลักไว้เลยอย่างเช่นแม้พราะเหตุคือพระเจ้าเนี่ยบำเ พ, พ็ญพระจริยาคุณมาอย่างไงก็ระลึกเช่นพระชาติต่างเนี่ย นั้นคนที่จะลึกในการเจริญพุทธคุณได้เนี่ยแปลว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจในการในการสร้างบารมีของพระุทธเจ้าค่อนข้างดีเลยเช่นพระพุทธเจ้าสร้างทานบารมีพระเจ้าสร้างทานบารมีในกี่ล้านล้านอัตภาพศีลบารมีกี่ล้านล้านอัตภาพเนคขมรบารมีเนคขมบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเบขะบารมีเนี่ยแปลว่าเข้าใจบารมีธรรมของพระุเจ้าที่เจริญมาเวลาระลึกถึงพระบารมีว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานบารมีมาเนี่ยโอ้เนี่ยเห็นผลของพระทานบารมีของพระเจ้าไหมล่ะนี่ยุพุทธเนี่ยคนเขาศรัทธาพระเจ้าเนอะเขาถึงมาสร้างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นผลของทานบารมีไหมวัด ทั่วประเทศเนี่ยเขาศรัทธาพระเจ้านะเขาถึงสร้างไนงะโอ้ที่ดินเออสถานที่ต่างๆที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเพราะเห็นทีไรก็นึกถึงพระทานบา ร, รมีของพระเจ้าบอกโอ้ยิ่งใหญ่แท้ทานบา ร, รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เรามีสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่นใจไหมเพราะมีสถานที่เหล่านี้เราได้มาเจริญกุศล เราได้มาฟังธรรมเราได้มาประพฤติธรรมเราได้มาเจริญศีลสมาธิปัญญาเราเอาศัยพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้นึกถึงแผ่นดินในประเทศไทยเหยียบแผ่นดินแต่และแผ่นดินนึกถึงพระทานบารมีของพระพุทธเจ้านะนึกยังไงพระเจ้าตากศิลเนี่ยกู้บ้านแปลงเมืองเนี่ยได้แล้วไปเขียนศิลาจารึกไว้ที่วัดประเชตุพนเออที่วัดอรุณน่ะ วัดแจ้งวัดอรุณไปดูสิท่านไปเขียนปณิธานเขาว่งงว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยา ก, กู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระโคดมเออสิให้ครบถ้วนห0 0พันประวัติศาสมณะพรามชีปฏิบัติให้เหมาะสม เจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาเห็นไหมในพื้นแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยเราเหยียบไปหน้าที่ตรงไหนทุกตารางนิ้วทางใต้ถึงกระนตันกระนตะนูถึงมะละกาโน่นเหนือสิบสองปันนาสิบสองจีวไทยเสียมราชพระตบองนุ่ยไปเขมรโน่นนน่นเวียงจันท์เนี่ยท่านท่านท่านบุกได้ขนาดนั้น นี่ผืนแผ่นดินที่ถวายเป็นพระธบะชาทุกทลัางนิ้วแล้วเหยียบไปนะเห็นคุณพระเจ้าไหมว่านี่พ่อบุญของพระเจ้าเนี่ยคนถึงถวายเนี่ยนึกออกไหมอย่างเงี้ยเออเพอนึกอย่างเงี้ยปาโมทเกิดไหมพระเจ้ า, า, าบอกว่าจเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมลอยบาทพระาศาสดา เออผืนแผ่นดินนี้จะได้เป็นผืนแผ่นดินที่เอามาเจริญกุศลและประพฤติปฏิบัติธรรมกันจะได้มาเนี่ยฝึกศีลและเจริญสมถะและวิปัสนาจะได้เป็นปัจจัยต่อความพ้นทุกข์คิดถึงพ่ อ, พ, อพ่ออยู่คู่กับเจ้าใช่ไหมชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยืนยงคู่องค์กษัตราเนี่ยพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันยงไงเล เออนี่เราลืมกันเองอะ่ะอ๋อผือนแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของพระพุทธเจ้าคนจีนคนจีนเนี่ยนักปราชญ์จีนเขาเขียนเขาไว้เวลาคนจีนจะข้ามน้ําข้ามทะเลมาประเทศไทยเนี่ยเขาจะใช้คําว่าหกตีหกนี่แปลว่าพุทธเจ้าตีนี่แปลว่าแผ่นดิน เนี่ยพื้นแผ่นดินในเนี้ยแปลว่าเป็นดินของพระพุทธเจ้าฉะนั้นอย่ามาทําชั่วเขาจะเขาจะสอนลูกสอนหลานอย่างนี้นะคนจีนนะอย่ามาทําชั่วบนแผ่นดินนี้เพราะเป็นแผ่นดินที่เขาถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว <c oughs> เรารู้ไหมประวัติมาปอย่างเงี้ยรู้ไหมยอมรู้ไหมเอา้าถ้ารู้ตรงเนี้ยเราจะเจริญพุทธคุณได้ไหม เราเห็นสมบัติของพระพุทธเจ้ามีเยอะไหมที่เยอะเพราะอะไรเนี่ยเพราะพระพเจ้าบำเพ็ญทานบา ร, รมีมาถ้าไม่บำเพ็ญมาใครจะไปถวายพระพุทธเจ้าเราใช่ไหมล่ะเออตรงนี้เราเหยียบไปในบนผืนแผ่นดินก็เกิดอะไรโอ้เห็นพระทานบา ร, รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาออกนโนดทับแล้วก็มาเยอะว่าโอ้ยของชั้นของชั้นเนี่ยเราหารู้ไม่ว่า เราไปมาออกทับไว้เพื่อให้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าสมมุติว่าเป็นของเราเท่านั้นเองแต่โดยแผ่นโดยที่แท้จริงเขาถวายเป็นวัตถบูชามาตั้งนานแล้วกลับไปมันจะได้ไม่ต้องไปยึดอะไรมันเยอะเขาใจอย่างถ้าไม่มั่นใจก็ไปดูในเิลาจารึกที่ท่านจารึกถวายก็ไว้ใช่ไหม เออประวัติเป็นแบบนี้อแล้วถามว่าใครจะไปลบเรือนประวัติได้ไหมประวัตศาสตร์นี้ลบได้ไหมไปลบได้ไหมไม่ได้ลบได้ไงล่ะใครข้าบกล้าไปลบราชาองค์การล่ะก็เล่นทําศิลาจารึกไว้อย่างนี้เลยเอาสิคุณไม่เชื่อก็ได้ใช่ไหมออคุณจะไม่ทําตามก็ได้แต่ความจริงท่านถวายไว้จริงๆริงใช่ไหมง <c oughs> ั้นเหยียบแผ่นดินไปไหนะที่ไหนชื่นใจไหม โอ้ทุกย่างก้าวที่เหยียบลงไปเหยียบลงไปเนี่ยโอ้นี่ผลของพระัานบรรมีของพระพุทธเจ้านี่ไงพุทธคุณนี่ไงเจริญพุทธคุณเจริญยากไหมไม่ยากเลยเราจะต้นหนักในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เรามีสถานที่ในการประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติรำเนี่ยเราไปกินอาหารแต่ละมือ้อแต่ละมื้อเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยพอคิดแล้วนะ่ะชื่นใจไว้ล้ โอ้โหเนี่ยบุญที่เขาศรัทธาเนี่ยต่อพระรัตนตรัยโดยแท้ทำให้กระแสชีวิตเราได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาเจริญศีลมาเจริญสมาธิมาฝึกปัญญาเออเนี่ยพอคิดอย่างนี้เราปลาโมดก็เกิดปีติก็เกิ ด, ป, กกดปัสสิสงบก็เกิดสุขก็เกิดสมาธิก็จะตั้งมัน่นกิเลส ท, ทั้งหลาย ความไม่มีศรัทธาทั้งหลายก็จะถูกทําลายเกลี้ยงความเกี ย, ยกจยยคา้านก็จะถูกทําลายเกลี้ยงความฟุ้งซ่านก็จะถูกทําลายเกลี้ยงใช่ไหมความหลงหลืงปั่นเฟือนก็จะถูกทําลายเกลี้ยงน่ะเข้ายานบัญญาก็จะเกิดนี่จเจริญพุทธคุณเป็นต้นนึกไปตรงไหนเห็นคุณพระเจ้าเตรียมไปหมดเลยเอาละทุกคนแกวเวลาแล้วนะพวกเราไปฝึกฝนในการระลึกกันบ่อยๆนะแล้วก็ ฝึกําลังสมาธิกันไปบุต่อไปได้นี่เราได้อนาปานาสติกันไปแล้วนะแล้วทำว่างช่วงไหนทําทําให้ติดต่อเลยนะฉันอาหารสักพักหนึ่งนั่งสงบก็ดูลมหายใจเด้อทาได้ทุกที่เลยนั่งตรงไหนทําตรงไหนทําได้หมดเลยแล้วเวลาเท่ากันเรามีเวลาฝึกเท่ากันแต่เพียงว่า เราจะทำวันเวลาให้มันผ่านไปให้เราได้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไนะีก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะสาธุ